มันมากับความเยอนหนาวไมครับแบบปีองสาไหมคบองศาที่ค่สิบเจ็ดเท่านัเไม่มากเช้าไปที่วัดอู่ว่าประมาณสิบห้าสิบห้าเลยครับที่วัดมันก็แบบไม่ได้มาตรฐานอาจจะต่างก็คงจะใต้เคีย ดีลนี้มนไปคุงรอ่ลมลืมคืิงคำซีดีที่หลวงตา่าวถึงท่านจางโน้ตมาแต่ว่าเดี๋ยวจะฝากตัวเมดมาค่ะแล้วก็จะมีอันหนึ่งเป็นมีีที่ถึ่นแล้วก็กันเที่ยวที่แล้วเรากนยืนมอกมาแบบนี้สวัสดี ท่านกลับไปที่ที่ที่ทวัดคงไม่ใที่ที่รสอร์นอนนอทนค่านึกค่ะตอนไหว้ประเสรได้ได้ไดเทคมามท่านท่านพูดดีกับท่านโหนท่านมาที่นี่เนี่ยมีคนบอกเลยว่าได้ขึ้นมาขับนทั้นบกท่านมาเพื่อจะท่านแต่่สุท้านาขขาว่าได้พบแล้วเลยก็จบเสร็จแล้ว <laughs> ท่าไได้มาเพื่อสถา่ <laughs> ก็เหมือนลูกท่านเนี่ยเพราะอยู่กับท่านจะต้องเกิดก้าวตีทั้งจามงานก็เกิดมาแอเดได้ประมาณรับนกระติก้าใส่อยู่อยู่ที่ว่าโดนยังไงถ้าตกกรกที่จะผ่มผ้าหรืออไม่เต็มให้คล่องเลยนะครับเปืดอะรายลงให้เข้ากันถ้าพอรู้สึกว่าเราสามารถเดินทาง ไล้ดยที่ไม่ไม่ลำบากเก็เยกกนนเ่ยเรื่องการส่งผ่า น, นการดู่ลรักษาบริการต่างกด้ลยกาบางเดกตั้อขอคุอยู่กับหลวงตากต็ไม่ได้รอปอยู่กับใขอไปที่วัดป่นมิตราคุณเด็กคงเคกว่าพนนี้ว่าแต่หลวงตาจะไม่ยากใกล้เคียงจร <c oughs> <c oughs> ถ้าหน่วยถ้าอนีญาให้ตหาแ้ต่หมวงกาจะรับให้อยู่นั่นก็เป็นเป็นเรื่องของตาถ้เหมือนการเกิดใหน่เปนเหมือแบบว่าเป็นเด็กเกิดใหม่ยังไม่ยังไม่ยืนขาทางด้านการเป็นพระท่าที่คนที่ต้องไปเกิดตอนแกไปไปไปเนหนทางสนัดพระองคอง์คนหง ที่นั่นเขาบินสบายเดินเร็วมากที่เราไมเยดินเรียรถไปกันแรกคนเคยนั่งรถไฟไปตอนเยน็นาถึงตอนเช้าอย่อนช้าเลยกมีรที่ยากเย็นที่อุดรอนเยนพอมาอมถึงที่ตาลาว่าะดิได้เวลาที่ออกิานายแล้วรีเโดยาร้วก็ปักไปดึงบ หาไปก็เดินทางตตะเกายๆสบายสบาย่ขากลับเพอบ้านหลังสุดท้ายใส่บาดเสร็จรับบาตของหลวงตาปักโอโหทงโกยนับเลยเราไม่เคยวิ่งไม่เคยยืนวิ่งอ่ะคือมันเฉงไม่เฉงเกวิ่งอ่ะเหมือนกับพวกที่เขาแข่งทางโอลิมปิกแข่งเด็บเดินเดบแล้วก็ ไม่เคยไม่เคยมีอาหารเต็มบาทเี่ข้าเหนียเต็มบาทมันหนะักแล้วก็ถลามบาทล้าก็ถูกไม่แน่นพอพอเดไปทางทางกลัมาขึ้นทาง่ถึงว่นนี้มันหลุดถลนมบานมันหลุดกี่กวันก็จะหลุดก็งคอยอุ้กคอยจะไม่ถึงสาราเขาเขาเข้าที่กันเรียบร้อยหมแล้วจัดแจกหายนะกันรอไว้จ้ะ ท่านงงอ่ะท่านว่าแต่ถ้าไม่ตาท่านคงไม่พูดอะไรเพราะโดยใหญ่ถ้าเป็นพระหม่เนีท่านจะไม่ค่อยที่จะใช้ใช้อ่มาตรการเนี่ยโดยใหญ่ดูแตนอกจากว่ามันู้ต่ว่ามันมันแยกจริงๆนะอาจารแต่ว่า ในมายท่นก็จะสังเกตนถ้านเนาห็นว่าเราในทางท้อง ก, การในทางปฏิบัติค้กา ก, กับเขาจะเป็นไม่นเข้ายองคารวัลต้องการจะมีเพื่อนเพ่อนก็ดีนะท่านพิจารณาเพื่อเรียกว่ามาประค่าในพิจารณาท่านจะรับข้าประมาณสิบห้าสิบหกหร่างเงี้ แมวพอท่านอีให้อยู่ได้เนี่ยพระที่กราบก็เาแต่ยามความดีๆขอใจอะไรกันขอใจท้านจะรักใครย่งไม่เป็นของหน้พระจะรายรื่นในกันที่จะอยู่ท่านจะไม่ให้อยู่ตรงกางที่จ้งให้ท่านสงสารท่านบอ ตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้อยู่ได้ก็ตา mm hmm. มาตมาท่านก็ยังมีกักไว้ <c oughs> สวนท่านเองที่มาจะรับโบราณที่ทานนว า, างนี้นะตอนแรกที่มาเราได้จบวันั้นว่าอยู่ได้ชัว่วคราว เมอครั้งนีนน้วท่าตนารประกาศท่านวัน น, นี้คือท่านจบอกว่าอยู่ได้ชั่วคราวปติไมว่าแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรเกียวกัเรืองการอยู่อันนั้นไปเดือนในส า, านต้เดือนในามแล้วท่านก็จะมามาพูดทา่านที่จะรับนรกประมาณว่เดินก่อนสามขาวภาษาจะเป็นยุทธนา ขณะขณะอยู่ท่านกำลังประทึงถึงถงพระเรีรนะมก่อนป่ยที่จะเทศทนจะเทดอะ ไ, ไปเ่นี ไ, นไปเ่ห็นอย่างนี้่งที่มาจตกวต้งวัเราได้แต่เร่องว่ามีรเรื่องเทางทานก็นไปาไปท่ารื่งไ ม, ไม่ได้ไม่ใช้ท่านก็ไม่พูดอะไรแล้วท่านก็เลยเทศ ขึ้นมองกว่าเราตอนแรกก็ชมมีขนาดใหญ่กว่ต่งมาพูดว่าองค์นั้นจะอยู่ไดอยู่นะมใจยกลับมาเลยเือท่านได้เห็นคุณค่าของการได้อยู่ถ้ามันจะได้เราจะได้ท่าทามีอ่าท่นใจ ก็อขออะไรที่ได้ามามง่ายแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าเลยแต่สิ่งนะได้ที่เราได้มาด้วยคามยากทองวิางนี้เราจะพยายามรักษาเลยถ้าอยู่มาตลอดถ้าปีแรกก็ไม่ได้แต่งเลยเพราะว่าอยู่กับท่านตลอดถ้าเราไม่ได้เวลาเข้าวิญญาท่า น, านทำหมดเลยว่า ถ้ายังไม่ได้ห้พาพรรษาหรืท่านจะได้อนุญาตให้อยู่ก็จะครูบาอาจารย์จะบวชได้สองพรรษาดุพรรษาอย่ า, างแล้เราขอไปทุกงดวงเดือนอย่างนี้ก็อยู่ที่ในในในอะไรในใ น, ในการวิจัยของครูบาอาารย์ถ้าคุณว่าถ้าไปโดยมีเหตุผลไปเฉพาะพที่ไปมีเวล า, านี้จะท่านเห็นว่า จิตมีพลังพองที่จ ะ, ะเวลาเตือนได้ท่านก็อาจาะาจะบอกว่าไปถ้าเห็นว่าไปแล้วเไม่ประโยชน์แต่ถ้าท่านหาเห็นว่ไม่เป็นประโยชน์แล้วท่านกับมาให้การมีภาพบางรูป อ, อ, อยู่ที่น่าจะอยู่ได้สองสามคำสาแต่ยังไม่ได้คบภาพเจ้าผู้กลัวท่านเองเมื่อสักยังไม่ได้ห้าคัสาแล้วก็จะขอมาจะไปจะที่เดิเวลาสองสามครั้งท่านจะไ ม, ม่ยาก การสุดท้ายไปลาเวาทา่านจะบอกว่าถ้าไปก็ไม่ต้องกลับมาแล้วท่านจะดูติดของผู้ปฏิบัติเป็นหลักคือภรรษาลีกก็ไม่ไม่สําคัญเลยบางทีได้ห้าพรรษาแล้วถ้าท่านเห็นว่าเนีไม่สมควรที่จะไปอไปแล้วเส่อมเสียบางทีไปแล้วมีเสือกไปแล้วเอาเปลนสุดท้ายก็ท่าพยายามจะเดึงมาเห็นว่าอยู่ไหมว่าเตรียมได้พรรษา แล้วที่ว่าก็จะว่าที่มีความที่ว่าถ้าถ้าถ้าปิบัตได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปที่ไหนก็ได้ในวะดน่้นมันถนัดดีได้ใจมันก็อย่างว่ามันไม่ชอบอยู่กับที่เม่อยู่ที่ไหนนานๆแล้วมันก็เกิดทางเบื่อนานอยากจะไปดูสถานที่ใหม่จิตมันก็จะหลอกคิดว่าให้เราคิดว่าไปที่นั่นดีเป็นที่ดี เรจได้อย่างนได้อย่างนี้อยู่ชื่อคุณาอาจารย์ดีที่สุอยู่กับท่านแล้วก็ข้าวาเหมือนกับว่าเับเป็นเหมือนดูของท่านทุกสิ็นทุอย่างในท่านท่านเวลาก็สบายดีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีภาระผิดอย่างอื่นมีหน้าที่เพียงตอนร้อก็ออกไปดืมเบางแต่มาถงเส็จก็ช่วยทำาทำสะอาดราบรอง หลังจากนั้นก็หลังจากล้างบาตล่างอะไรเรียบล้อยแล้วจับจิตก็เป็นเวลาพอนจนถึงช่วงบ่ายประมาณบ่ายสองโถ้าอยากจะทางานกานทศเสลางานก็มีที่ที่เตรียมไว้ให้ไปทำงานได้ทำเสรดแล้วก็ก็ปัดจัดจังสระความสระความเสร็จเรื่อ ทำาวาษสะาดตาล้างน้ำตักน้ำในด่อใสใส่ติใส่รถเขนแล้วก็ใส่เทตามพ่อน้ำต่างๆฝันติ๊บฝันติต่างพอเปิดตินบมแล้วก็จับติเปถึงน้ำแล้วก็ภาวนาต่อรางวัลถ้าท่านจะเปิดมืมทันก็จะเรียกท่านจะได้พระมาบอก ตอนใกล้ๆโคกขั้มพอพระมาบอกก็ต้องรีบไปเลยเพราะว่าท่านจะไปนอนอยู่แล้วท่านจะไปนั่งรออยู่ก่อนเพ่จะปล่อยให้จุอาจารย์นั่งรอเราในว่นไม่ถืกกอกติกาละเองั้นพอไม่ว่าจะทำอะไรอยู่พอพระมาบอกให้ชุมทาเดียวตายแล้วหยุไปขนะายหยุคท่านี่ไม่จีวง พอไปเทงค่ะไปก่อนจะเตียมไปจัดที่เอาเอาผ้าปูนั่งไปจัดจิ้จุจเทียนอะไรเื่อมีไฟฟ้าแต่ว่าหองเที่ก็มีเทียนแค่สองสองดอกที่มีจ่าพระจะอยู่มีหม่โซนไชยนี่ก็เนืก็ประนี้ค่ะค่ะเลยก็ประมาวิดกระลูกขึ้นั่งขึ า, าน น, กกนั่งตราอย่างก็ น, กนั่ง ให้มาผู้เสียอย่างเงี้ยธรรมดานะครับที่ด้าน mm hmm. ล่างขั้นบนเ mm hmm. มื่อก่อนที่ขั้นล่างจะเป็นใต้ถุนวิ่งหรือว่างๆ mm hmm. จะเจ็บพวกกองไม้ของเข้าของอื่นๆแล้วมันเตี้ย mm hmm. เวลาเข้าไปนี่จะต้องลงจุกจักระมื mm hmm. มอสูงประมาณเนี้ยกว่าไม่สามารถยืนตรงก mm hmm. ลางแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาคือเดิมมันเป็นไม้แล้วมันเริ่ม หรืออะไรก็เลยมีการเปลี and and er ่ยนเป็นปูนก็เปลี่ยน้ะติลาต้อนสองต้นไปข้ายกยกต้นนี้ขึ้นแล้วก็ตัดต้นตัดตัดออกแล้วก็ขายออกไปตนั้นแต่ตอนนั้นก็ยังไม่สูอยังเทีทียนแรกมันไม่ดีก็ไม่ได้ดีทําะติลาต้อนทำวัฒนธรรมสองต้นทยอยทาไปเรื่อยนตอนที่ดีก็มีมาด้อยู่แล้ว ทุกการอยู่ที่ท่าเนี่ยปุตินี่อยู่ปุติเดียวตลอดตั้กแต่ก่อปีนะฮะแล้วมียายรับเคลื่อนมายายบ้างาะตอนที่ไปข้างนั้นปุติภาะที่ข้าอยู่ประจำขเขาเต่มท่านเลยให้เป็นปุติรับรองที่ธรรมดาจะให้ผู้ญาติโยมมาว่าที่ที่ไปทักอยู่กันภาษานั้นก็อยู่อยู่ปติรับรองเป็นปติสองชั้นอย่างข้างขานั้นอยู่ข้งล่างแล้ว้างทักอย่้น มีทางมีสองห้องอีกห้องนึงเ็จะเก็บช่วงนี้เสษไว้พอพอพอออกภา้าแล้วก็ปอนีช่วงระทินก็จะมีครูบาอาจารย์ท่าผู้ใหญ่ท่านมากราบว่วครู บ, บาอาจารย์ก็เลยย้า ย, ายออกไปตอนีก็ช่วงนั้นก็มีกุฏิว่าก็อยู่กุฏิอีกุฏิหนึ่งนีเป็นกุฏิแรกกุฏิเดียวกุฏิ ทั้งเดียวจดี๋จะติดไม่ไม่ยกขึ้นสูงมากยกขึ้นมาแค่สองเดียวก็อยู่นั่นก็อยังติดสองตีแล้วก็ประเดี๋ยะติดยาสูงกว่นิ้หน่อยอยู่ที่นมงก็ยายไปแต่ทุกปตินี่จะมีนอกจากตัวกติแล้วจะมีข้างหลังกิติถ้าถ้าเป็นฝาข้างหลังกติที่เราไปทำงานรอางเลี้ยเป็นที่หลบ ก็เป็นก huh. ้ายกขึ้นมาสี่เหลี่ยมประมาณสองเมตรสองเมตรคุณสองเมตรมี้าังคาหนังสือเป็นเพนเลยถ้าอยากอยู่ที่นั่นก็ได้บางทีก็เอาผ้ามาถ้าทิวองกับที่ไท้ทำกระถิ่นทาเป็นฝาเพราะที่กุฏินี่จะธรรมดาจะสร้างในที่โล่งแต่ถ้าเราต้องการอยู่ในร่ม ไปลงมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในร้านาปัจจัยต่างๆมันก็จะ <c oughs> ก็จะเข้าไปเดินเป็นกลุ่มนั่งสมาธิบางเวลเนี่ยส่วนสตินี่ก็อาจจะมาตอนตอนเยนตอนค่ำตอนเชเพราะว่าถ้าในหน้าผนนี่ก็อยู่ในร้านี้อากาศมันจะชื้นแล้วมันจะกดดันทำให้เป็นไข้ได้แต่ถ้ามายอยู่ที่สติมันก็อยู่ที่ที่เรา อาจารย์คนไม่ชื่นชอบแต่เราแค่เป็นข้าวสารแต่มาเมื่อก่อนก็ไม่ทราบเคยเคยเคยอยู่เคยอยู่แต่ในร้านเพราะฉะนั้นกุฏิมันไม่พออยู่กัเราต้องเลือกเราจะอยู่ในร้านไม่ได้อยู่นกุฏิก็เลือกอยู่ในร้านแล้วตอดีมันก็่งก็ดีผมแล้วก็ทําให้เป็นไห้ เป็นต้องไปหาหมอทีがが่โรงพยาบาลหมอเขาก็จิดยาให้จิดก <sem> ็ไม่หายก็เลยลองมาอยู่ที่ศูนยที่อันร่มพออยู่ได้ขึ้่นหลอเพือมันก็ดีขึ้นมาสังเกตว่าอากาศที้นก็มีส่วนกับสุขภาพร่างกายท่านเจ็บเมื่อยไดเคอบรมสอนอยู่คณัใ ทนปัญญาส่วนใหญ่จะทำหน้าที่แปลหลงจาาที่หลวงจาท่านเทศเสร็จแล้วท่านท่านก็ บ, บอก่อะท่านปัญญาอธิบายให้ยู่เพื่อนไปสมัยนั้นจะมีพระทาสต่ า, า, างประเทศอยู่ประมาณพระห้าหกรูปท่านปั ญ, ญก็จะสอนบทท้ า, า, ท น, น, า, น, า, น, าน า, น า, น า, ปานนงประมาณ้าสินาทีเรื่องหลวงจ่าท่านก็หด้าเหมืนาิ่งทานน้ำท่านหนาไปพระรูปหนึ่งก็นั่ทาั่งาวาไปร้อยท่านปัญญา อธิบายให้สเสร็รีบอยธิบายเสร็จ้อออารจครับ า, า, าเแล้วเหรอไม่เพูดไเกี่ยวกนนั้นท่านมาแล้วรทานน่านมาหลังอาจมามีเยะตอนที่อาามาไปแล้ว ม, มท่านปัญญาให้นเอี่แล้วก็มีท่านเอียง อาจจะเป็นชาวนี่ท่านเอียนท่านท่านเป็นชาวจีท่านลาสิกขาไปแล้วเมสองปีกท่านพอดีอยู่กับท่านอาจารย์เคยอยู่ร้าอยู่ร้านร้านตรงนั้นท่านก็ไปทางไปกลับไปที่ประเทศจีแล้วก็ไงที่ออสเตรเลีย านก็มาศึกษแล้วหลังจากนั้นในปีสองสีก็มีพระมาเพิ่มท่านยแลก็มีชาวอังกฤษีู่เนแล้ก็ชาวออสเตรเลียก็อยู่กน่ทุกๆนที่ท่านเะท่านาปัญญาปฏิบายนรุปว่ามาเท่ได้แตได้ เสร็จแลาท่านก็จะคุยกันที่จะคุยแบบเป็นนานๆกันเรื่องการปฏิบัติการการอยู่แบบอย่ในงวลาต่างๆก็เป็นเก็บความนี้ความเรื่อยๆหลังเสร็จล้ก็ท่า้องปล่อยประมาณแคสี่ถงห้าทีประชุมเสร็จก็ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่ เวะแข่นแต่คนก็ต่างกันที่พระต้องไาวนาต่อไปเรื่อาจนาที่้สมาเิ็นเวลาพัก็พอตืนึานมา ก, ก็ปฏิบั ต, ต, ก ต, ต, ต, บติกันต่อต็นเวลาไปบิณฑบาตไปประลอที่สาราเรียนจากอาสนะต่างรถือถือขึ้นเวลสาราละพา พนที่นั่งเขาใช้ไม่มีคือเข้าใจแบบพื้นบ้านใช้ใช้เกียงไผนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเป็นหนังแว็กต์อางนี้เขาไม่ใช่นัแว็กตกระป๋องที่ตลิตเขาจะเอาเทียนไถมาต้นกับน้ํามันคานแล้วก็เอามาถ่านวนวายกินว้เมื่อพอมันแห้งมันก็จะเป็นหังจะเป็นแว็กทุ่มทุม เปนงาไม้ไว้แต่มันจะมีรอยถ้าเราเดินเวลาเราเดินเหยียบรอยเท้าเราเป็นอย่างนี้นทุกเ้าทุกค่ำทุกเย็ยนจะต้องเอากระลามาเทาเคลือบรองเท้าห้ามงเท้าแห้งผ่าขึ้นออกทั้งทั้งในตังทั้งรัองเท้าทั้งทั้งลูกเลยผ่าขึ้นแล้มันจะมีขนที่ขอบขารองเท้าขนนั่เราจะเป็นเหมือนกับเป็นฟา น, <ๆ S 2> นขัด ก่อนจะจับพูดแล้วก็เงยมือเงยมือเง็นะพี่แกเงยมืเงยมือเงยมือเนยมือเงยมเงนมือเงยมือเงยมืทเงยนือเมอเงยมืเงยอเงยมืองยมืองยมเงยนือเงยมือเงยมือเงยม้อเงยมือเงมอเงยมือเงเงยมือเงยมอเงยมือเงยมืองยมือเงยมือเงยมเงยมืนีงงเเยงเมเงเงเอเยองอ ต้องทิ้งคเกิดจะพ่อมันมอยู่กเ่ถืก็ถืมอมันอยู่ก็ไม่อะไรเกิดเชื่อความาาเกิดด เ, เรียนผมพอนทุาอย่างีหนึ่งเทนาวถึงมาหกองศาหกองหนาวจริงก็ยังต้องมีาบารอย่าเวลาจะทำนั้นมันเป็นถนลูกลงังไม่ได้มไม่ได้ละยาก ไอ้ไอ้มุ่งแรงที่เป็นก้อนงก้อนมันเป็นมือนกับมีมุ่งก้อนน้ำแข็งมันยังมุ่งก้อนเขเดินต้องเดินเท้าฝ่าฝุ่นต่อรมานเลยการทการฝึกที่ดีอ่ะต้องยกน้ำด้วน้ำนี่ตอนบ่ายก็ท่านก็ให้แบ่งใครใครที่ถ้าไม่มีกาลังพอก็ให้เป็นไปทำที่ย่าแด็กไปกว่าถือทำไอ ช ล, ลาความหลายครั้งหนึ่งพักหนึ่งหนึ่งที่มีแรม า, ากมากก็เชวยกันคือที่ ท, ที่ที่บ่อน้ำจะมีมีคำที่ใช้มนึ่ยคะแล้วถ้า <c oughs> แล้วถ้าใส่ไปนในปี๊ป <c oughs> ปี๊ปละมันกล้า <c oughs> แล้วใส่ไปนในรถเข็นคือแค่พอใส่เปครั้งหนดมีอยู่สองสามครั้งคันนี้เต็ม เพราะว่าแข็งไปการนี้ท่าไม่เท่ากันต่อคนนี้ห น, นา้าที่เยอะเกินไปคนที่เห็นไปก็ไปตามห้องน้ําไปตามสติสงศ์เพราะธรรมดามตามสติจะมีจะมีองค์น้ำอยู่ที่ที่ตูนบันไดเวลานจะขึ้นปติจะไปน้ำไปน้ำน้ำเท่าแล้วถ้าบางสติถ้าเป็นของเท่าผู้ใหญ่ก็จะมีห้องน้ำํำอาจจะเอาน้ําไปใส่ในห้องน้ําด้วย ก็ดีก็เหมือนกับท่านก็ไม่ต้องการให้มีความสะดวกความสบายเพราะมันไม่เสริมความความเพียรความพยยงเพียวถ้าทุกอย่างมันสบายแล้วเวลาจะภาวนาจะเดินจะกลมนงินกล้าไม่ออกร่างกายกราต้งเกียรติถึงแค่เรานั่งนั่งนอนนอนมากๆ่มนจะไม่มีแรงพอจะทำอะไรทีรู้สึก่ากอ้รกไม่ยากหรือเปล่ แต่ถ้าเราทำไรอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ตัวจะทำอะไรขึ้นอย่างนี้ทำอะไรนี้เอนจ ะ, ะเียบงวดเลยเรื่องเรื่อ ง, งน้ำตกปลาเรื่องไฟานี่มีคนจะเอาเข้าไปทำงานแล้วคุณดาวอถ้าก่อนให้ว่านี่เป็นไปตาความสาธารณะของญาติโยมมันจะยิเสียยิ่งก่า ว, วันกาอนาก ไม่หอกอีอออตมาไปยืมเงนจากแบบคนยากจนอยู่ไมไ่ไปอยู่แบบคนสบายไปแบบต้องไปทา ง, งานทาการทา ง, งานไปเรียนไปด้วยเกิดข้าวไปด้วยต้อเวลามีเงินเยอแค่ข้าเยอะแค่กินข้าวได้นี้วันลนะนงคนละก็อดกินรอทึงเย็นถึงกินข้าวนึงเป็นเันที่ที่มีมันมีเท่านั้น แล้วหางานทําไม่ได้แต่พอหางานทําได้ก็ก็ดีขึ้นงานที่หาไม่ได้ทุกตัวยอย่างงานที่จะได้ก็เป็นา ง, า ง, างานร้างจานงานของเองไม่มีแล้วเราก็หมาไม่อยากจะทํางานอย่างนี้ก็พยายามเลี่ยงเหมือนด้วยการอายัด อ, อ, อ, อกอายัดอดดีกว่าแต่พ อ, อไปทํา ง, งานแล้วมันมันไม่ไหวอากาอย่างเีย็น วเวลาเรียนห้ัสือมันเรียนไม่รู้เรื่องมันหิวเะรอย่งนี้นจุดต้องยอมยอมล่างน้นที่ตั้งตัดฐันน้ำที้นหรือล่าในเบื้องต้นสมัยก่อนจะฉานน้ำบอกกันแล้วก็ฐันน้ำฝนบ้างแต่จะได้เฉพาะในช่วงวันดีฝนว่างๆอยู่ แ, แค่สองลูปที่ข้างหลังกาล่ายังไม่ได้สร้างทั้งปูใหญ่ๆที่อยู่ด้านข้างนั่อน คือํางมาจำนวนคระมีมากขึ้นมากขึ้นท่านก็เลยให้สร้างแ ท, ท้งจาระบรูปอยู่ด้านละะา่างข้าสอนตอนนั้นแล้วก็เลยมีน้ำผลใช้แต่ส่วนย่างนี้นตอนนี้ก็จะเอาน้ำบ่อนี่น้ำที่เราเอาไปใส่ห้องน้ำใส่มนกรน้้นสะอาดก็จะมีมีตุ่มไผ่สร้างอยู่ จะเอาเอาน้ำไปใส่แล้วเราต้องไปเวลาใครต้องการก็จะมาทุกคนจะมีกาคนละลูกเวลาต้องการาน้าก็ตัดตัดน้ำด้วยชีต่ อ, อน้าแล้วก็ใส่มีกามนก็จะไปเอ า, า, า, า, เ, เ, อาเอากลับไปทำก็ส า, ส า, ม, ม, สามารถจะทำได้ไม่ใช่ไหมนรพอผ่าเวลาที่ท่านไปที่โดง่งท่านก็องอาใัยน้าใน มนเนกาศย็แล้วก็มันค่อนข้างจะมีเสียงหาที่มันจะเล็ดเข้าไปที่หลับลมมันก็เลยทำได้เราเส้นจะจัดทางบลลยนเวลมันมันเป็นธรรมชาติของมันเล็กน้อเกินร่างกากมันจะมันมันมันจะอากาศเย็นๆนิดนึงนะคือถึนี้กันเป็นช่วงฤะูใบไมออกไม่ใช่ใหมเอาฟังกันอมัได้ ก็ไม่เคยออกมาเพราะเวลาท่านจะเทศท่านจะครอบประเทศในครัวแต่ละครญาติโยมที่เข้าไปที่ข่านอยู่ในครัวนี้ท่านจะเข้าไปใส่ในครพอดีปีนั้นที่ไปพอดีกินกินอะไรที่เป็นโรคอะไรอะไรไปงานก็ไปขออยู่เพื่อปฏิบัติศิลเพหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินหกเดือนหลวงตาเพิ่งบอกว่าถ้าจะมาเพก่อภาวนาปรมาได้แต่ถ้ามาแล้วต้องเอาหมออยุดเอายา เออาเรื่องอะไรทางต่างๆเกี่ยวกับร่างกายมาตัวอย่างมาดีกว่าเขาก็ใจกล้าเขาก็ไปไม่มีอะไรไปพื่อภาวนาโดยตรงแล้วท่านก็ไม่จ่าท่านไม่เคยท่านไม่เคยเทศทุกขืนท่านหลุดท้าจากทสร้างวัด่านจาาไม่เคยไปเทศทุกขืนเลยแต่เ่นนั้นท่านกไม่จาท่านก็ไปเทศทุกคืนยกเว้น ชวที่ท่านมีภารกิจเช่นคืนไหนที่ตังเทศสอนพระ ท, นะท่านก็ไม่ได้ไปในตัวอกหรือท่านมีวามจํานเป็นต้องออกกับพระข้างนอกถารักษณะนั้นแล้วท่านก็จะเทพสอนที่เป็นอางเสือด์มาฝงเล่นม า, าเล่นเล่นทำเตรียมพร้อมแล้วก็ศาสนาอยู่ที่ไห น, นั้นก็จะเน้นไปทางด้านการพิจารณาทางวิปัสสนาการทากิจทั้ทงๆ การพิจารณาขำไปละทำ ไ, ไ, ไปไอ้เหมืนน่าเป็นไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนไม่ร้องไม่มหลงลังของอันนี้ถ้าไม่พิจารณามันความหลงมันจะยึดติดยึดแก่ทำหลงมันจะต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพอพาะอเราไม่พิาจารณาพักทหลงมันก็จะมันก็จะกลับไปยึดวก็ต้องพิจารณาจนกระทั่งมันมันนไม่กลับไปยึดไมติด พอมันีม่ยืดไม่ตึงแล้วมันก็สบายร่างกายของเรารก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นเราได้ถ่าวว่าคนนั้นไม่สบายเพราะนั้นถ่าวตายคนนั้นาตาย น, นี่น ก, ก็เฉยๆแขนใดร่างกายเราก็เหมือนกันถ้าเราพิจารณาจนเห็นว่ามันก็เป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นไม่ได้เป็นของเราพอมันจะเป็นอะไรเราก็จะยึดเฉย ๆ, ๆอยู่ตรงที่การพิจารณาแต่เราไม่สามารถพิจาา กันได้เรื่อยก็เพราะว่าใจเรายังไม่มีสมาธิใจเราถือถืกกิเลสมันคอยถือลากไปเรื่อขยขณะที่มีสมาธิกิเลสจะถูกถูกถูกถ้าได้ว่าลดกำลงเราถูกกดไว้มันก็จะไม่มาถือรากให้ใจคิด่างที่เคยภาพคิดเร่องอะไรชอบคิดเรื่องหานี่หาหนีหาหนทน่ทำนี่ทำนี่ ไม่เคยคิดว่าพิจนาไทยรักพิจนาหนี้จังพิคขันนาตาในแต่ถ้าเราทำจิตให้สนุกแล้วกิเลสมันก็จะถูกถูกกำลังของสมาธินี้กดไว้ถึงแม้จะออกจากสมาธิแล้วมันก็ยังไม่มีแรงเหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนกับคนที่ถูกถูกชบนักหตักพอยืนขึ้นมามันก็ยังสูงกยังไม่มีแรงมากพอ ตอนนั้นก็บรรยากาศดีที่เราจะพิจารณาทางด้านคือพิจารณาคือพิจารณาร่างกายเราเป็นยุ่งต้นพิจารณาให้เห็นถึงคามแตกตัวเปลี่ยนแปล ง, งปต่างๆขอร่างกายพิจารณาหเห็นว่ามันเป็นเพียงธาตุสีน้ำมอือใจมาจากมาผ่านมาพนหาหงส์แล้วก็มาเป็นอาการการิตใจ แต่เมื่อเวลาตายไปมันก็ยากกับคืนถึงดินย่ามุ่งฟังไม่มันไม่ได้ไปไหนครองตายนอกจากเราไปทำให้มันเป็นมังลึกมันก็มันก็อยู่มันก็เป็นมันก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งมันก็เป็นว่าจะดุนย่ามุ่งังทีนี้ฟันี้ก็เห็นฟองนี้ก็เข้าใจแต่พอไม่คิดแป๊บหนึ่งก็เจอความหลงมันก็กลับมายึดว่าเป็นเราเป็นขเรา แต่ถ้าเราคิดถ้าเราสามารถคิดแบบนี้ได้ตลอดเวลายืนเดินนั่งนันในระยะสั้นๆจนมันกลายเป็นความคิดที่เป็นธรรมชาติกลแล้วเหมือนแบบเราหัดท่องสุขีตอนต้นเราก็ต้องท่องอยู่เรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆจนกระทั่ ง, ทงในที่สุดมันมันขึ้นใจมันจำได้ขึ้นใ จ, นนจเราก็เลิกท่องกันได้พอเราจะครูอะไรที่ไรก็เราก็ขึ้นแต่ลง เจ็ดคุณเจ็ดได้หลังนก็ปากถึำตอบเช่นนันไม่ต้องไปนไม่น้จะได้เจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดคสองปนสิบสี่มันจะมีคำตอบอีู่ายทีถ้่เราพิจารณาไปจนกรท่มันติดเป็นนิสัตไปย่ในใจของ้รามันก็จะมันก็จะมองไปอีกด้านเมื่อก่อนนึกมองว่าเป็นตัวเราของเราแต่ม่นึกมองแค่เป็นแค่ธาตุสี่ที่น้วมีไฟเป็นเหมืไม่เดือทำงาเป็นมบ้านหลังนี่ แล้วก็ไปปฏิเสธมันไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงของมันมันจะแกกก็ไปเปลี่ยนแปลงไปบรรทับมันไม่ได้ไปแก้มันไม่ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็มันก็ต้องเป็นรักษาได้ก็รักษาไปหายก็หายไม่หายก็ต้องอยู่ประมาณไปจนกว่าจะจากไปจนกว่ามันร่างกายจะดับไปหยุดทํางานโรกภายถ้าเจ็ยนันก็หายเอง หามอย่างเท้าวอนที so e. mm ่ม hmm. <Yeah. S 1> ันกังวลไม่ให้ที่ร่างกายที่กังวลที่วุ่นวายก็คือใจเราเพราะใจเรามันยังยังหลงอยู่ยังนึกยังฝึกเพราะไม่ได้ฝึกกันแล้วถดมี่ะวันวันหนึ่งเราถามตัวเองว่าวันนี้เาพิารณาเรื่องตัวใจเจ็บใจเราเาจะฝกทำ ยี่สิบชั่วโมงพิจารณาได้แค่ชั่วโมงนช่ถ้ารวมกันแล้วเมื่อไม่พิจารณามันก็ปล่อยให้ธาตเสร็จคือความเหลื่อทังหล่เรามีตลอดเวลาในตัวเราตัวของเราแต่ถ้าเราทำมาต่อสู้กลันไปจนกระทั่งเรามีกำลังมากกว่าแล้วมันเป็นเป็นมืตายเป็นจิตตรงนี้แล้วมันฝังอยู่ในใจเราแล้วตอนนั้นมันไม่ต้องพิจารณาต่อไปก็ได้้อ เราเพืนมองทีไรคิดทีไรมันก็จะคิดว่าเป็นธรรมดาธรรมดาเกิดแก่เจิดตายเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วใจมันจะหาความวุ่นวายมาจากที่หนมันไม่มีโอกาสที่จะวุ่นวายมันก็เฉยเฉยโดยโดยทางใจเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพีเป็นเจ้าของเพื่อเป็นเจ้าอมามาเป็นเจ้าของชีวิราเมื่อเราได้สมบัติชิ้นหนึ่งมาแล้วเราก็เป็นเจ้าของสมบัติจนิง แม้แต่เปนสมบัติเราก็ยังหลงมนเลยเก็ยังคิดว่าเป็นของเราอีกแล้วพอเวลามันจากเราไปเราก็ต้องโกรเสีเยใจยเสียดายบางทีก็โกรธแท้นถ้ามีคนเข้ามามามาจบชิงไปเราก็โกรธแท้นจบชิงคนที่เข้มาจบชิงเราไปส ร, ราป้างความทุกข์ขึ้นมาสองความโกรธก็เป็นความทุกข์เชน ความเสียดายก็เป็นความทาี่้จราที่เรคิอว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันไปแล้วเราไม่กลับมาแล้วทไ ม, ไมต้องมาเดือดร้อนอะไรกับเันไปก็ไปไปช้าก็เร็วเราก็มันก็ต้องเราต้องจา ก, า ก, า ก, ากจมันไปเดีมีใครมีใครเอาอะไรไปได้บ้างเวลาตายอ่งกายนี้ก็เอาไปไม่ได้ เราไปได้ก็ธรรมะหรืออธรรมะธรรมะก็คือวิปัสสนาปาัญญาสมาธิสีหานี่เราทำแล้มันยกติดเป็นนิสัยละไปยจะทําให้เราชอบประมุนมทางทานชอบรักษาเสีชอบนั่งสมาธิชอบพิจารณาทางปัญญาไปแล้วผมมว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่เสร็จภารกิจแต่ถ้ามีชาติต่อไปมันก็จะมันก็จะ ทำต่อและมันไปง่ายกับค น, อนเองปรียบเที่ยวกับคนอื่นที่เขาไม่ทำเนี่ยเขจะเห็นว่าไอ้รเราทำไมเราทํง่ายแล้วแต่แม่ะคำาที่เราทำงาได้รักษาศีล้วก็รักษาขโมยทำทานล้วก็ทำได้แต่คนรื่นนี้พอจะต้องมาทำอย่างทุกทีเลยจนเราโอ้เป็ญญญนเรื่องใหญ่โตไม่เหมือนกับเวลาไปเที่ยวสหรับเขาหรือไปเที่ยวนี่มัน้่ายได้แต่ถ้าต้องมาขโมยทำทานมารักษาศีลปฏิบัติทางมนี่นี่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่โต เพราะความไม่ถนัดเพราะความไม่เคยทำนั่นมันก็เลยไม่เป็นนิสัยแต่ถ้าเคยทําแล้วมันจะติดเป็นนิสัยแล้วมันมีความกุข ด, ด้วยจากการกระทาําแบบนี้ไปเที่ยวก็มีความสุขการทํ า, า, า บ, บุญทํางานรักษาสิ่งประดิษฐ์ทำก็มีความสุขแต่ในความสุขคนละแบบกันความสุขแบบนี้ทําให้จิตใจมีความอิ่มมีความพอไม่ไม่หิวกระหายจับ แต่ถ้าไปเที่ยวไปซื้อของอย่างต่างๆมันจะทำหหให้ผิวเพิ่มขึ้นแล้วเที่ยวแล้วก็อยากจะเที่ยวอีกเที่ยวมากขึ้นอยา่กว่าซื้อของมากขึ้นไปไเรื่อยๆก็เป็นสิ่งที่เราต้องฝูกฝังทํากันไ้เรต่อยๆให้ได้มากถ้าหลายวันเดียวชีวิตของม น, นุษย์ถ้าเปลี่ยนเหมือนว่าเป็นเหมือนปั้มน้ำมัน เป็นที่เรามาเติมน้ำมันมาเติมพลังให้กับรถเดินจิตใจของเราเป็นเหมืนรถเดินพี่ยงต้องท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ถ้าเราเติมน้ำมันมันก็จะท่องเที่ยวในไปได้อย่างสะดวกได้อย่างสมายมีทะเบียงถ้าเราไม่เติมน้ำมันเราแต่ไปเที่ยวไปได้กันพอถึงเวลาขับรถไปการทางรถมันน้ำมันหมด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 นเนบบาลามต่างๆ่านเรามีศีลบามีเ ม, มามบามีธรรมยาบาลมีที่เรากำลังบำเพ็ญนนี้ทานบาามีวันนี้เราก็มาทำทานศีลบาามีเราไปรักษาอะไรเี้ยศห้าศีลแปดเมตตามาบารม 45, มมม า, ารมีก็เราก็อยากไปกินข้าวเย็นนี้ข้าวเย็นอยากไปใช้เครื่องของเครื่องสำอางต่างๆไม่ต้องใส่เสื้อผ้า ที่มีสีสนุดจุดฉากจุดโทรทัศน์จุดวิทยุจุดเครื่องเสียงต่างๆไม่ลปิดดูนังหรือสั่งๆที่ให้ความบันเทิง่วนหนังหรือทมากตกทุกครั้งฟังกันแล้วนอนยืนข้นหนานอนยืนเครื่องแข็งๆื็จะได้ไม่ต้องนอนมากก็ได้มีเวลาภาวนามากขึ้น ถ้าปฏิบติไม่่านอนไม่เกินสี่ชัมงท่านก็พอแล้วงกายต้องการพักสี่ชัมงนี่ก็พอแต่ว ก, กวเราต้องให้กเกล้ยงิสี่ชั่โมงเป็นแปดช่วมนอนนานๆมาเลยต้องมีผูกมินมินมันด้นอนสบายถ้านอนบนเพื่อนแขน็งๆนี้ก็นอนไม่ได้เพราะถ้านร่างกายมันพอแล้วมันจะไม่ดับละ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 ถ้ ส, สริ้างพลังจิตได้สงบได้ลานก็าหลดีถ้าสมมติว่าเป็นจิตที่ผัดโผลที่เวลาสงบแล้วไม่หนึ่งไม่อยู่ที่ไหนออกไปรับนี้เรื่องราต่างๆถ้าในเรื่องต้นควรที่จะยืนกลับมาอย่าตามไปเพราะถ้ามันตามไปแล้วมันจะติดจะติดกับนิจใจพอนั่นแล้วก็อยากออกไปเทียเ่ยวไปดู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 แตวลาแถวบางแสนแถวหนองมนไปตื่นถน น, นกับข้าวกับปลาไปเที่ยวอาบน้าที่บงแสนแล้วก็ไม่มาที่ค อ, อนเหนือยก็เหมือนกันเวลานั่งพักราชีเล้วออกไปรับเื้นาต่างๆพอพอออกจากสาักราชีมันก็ไม่มีกํำลังมันไม่ติดชื่อไม่เหมือนเหมือ น, นจะไม่ได้พักของ ก็จะไม่มีพลังที่จะไปกดกิเหลสกปเาะออกมากิเลกมันก็จะทํางาน ท, าทันทีมันก็จะชวนไปคิดเรื่องของกิเหลสปัญห า, าทจริงก็เลยไม่มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ก า, ารพิจะน่าใจรักในขันท่านั่งสมาธิเท่าไหร่ก็จะได้แค่ตรงได้ที่ได้ได้ไปเที่ยวได้ไปดินใลกได้ไปสวรรค์ได้ลิบได้เบงได้อะไรต่างๆแล้วถ้าไม่ระวัง ที่เลยนันก็จะใช้ริบหรี้มาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือทมหาหากินหาลากขาเยอหาชี่หาเสียงเป็นคนทํานายทายครดการเป็นวดเดียวกนหอ ไ, <c oughs> ไ่ดีก็คิ่าแค่นี้ก็พอแล้วอเลยไปไม่ถึงเป้าหมายที่คนจะไปเค่งองหนูใกล้อีแล้เอื้อมมือแล้วได้สมาธิแล้วแต่ว่าสมาธิของเราไม่ต้อง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 เพื่องเที่ยวเที่ดีในร่างกายทั้งแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในเพื่อดที่ขนที่ผมที่เล็บที่ฟันที่หลังที่นิ้วที่เอ็นที่กระดูกที่หัวใจที่ศัตรูที่ใจที่เราใช้กระจายไปทั้งสองด้านกายพิจารงานไปเรื่อยๆสลับไปสลับมาถ้าอย่างนี้มันก็จะเป็นวิปัสสนาไปในตัวเป็นสัญญาอุณหสมาธิไปในตัวเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องนื่องกันไะถ้ามันจะพิจารณาได้แล้วพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องก็ให้มันพิจารณาต่พิจารณาความเม่อยเสียนของร่างกายพิจารณาความต้นดินน้ำเมินาฟของร่างกายเป็นต้นตั้งแต่อาหารอาหารก็มาจากดินน้าลมไฟในเข้ามานร่างกายมันก็มาเสริมมาแต่มาเปลี่ยนเป็นผลผลและความหนาแน่นประโย์ เมื่อ่ากายตายไปปล่อยขึ้นว่ามันก็ค่อยๆากเสียงลงไปน้ำก็ไปสื่งน้ดินก็ไปสมดินลก็ไปเสือ่อมลปล่อยไ ป, ไปยนใที่สุดร่างกายที่ว่าเป็นตัวเราของเรามันก็หายไป ไ, ไม่มีอะไรบนี้อีกเวลาถ้าเรามีสมาธิแบบที่ชอบท่องเทื่อนั้นอย่าในเริ่มต้นอย่าเพิงองอ่งไปเทีย่ยวเพราะมันจะเสียเวลา แ น, นื่องว่าเป็นนักเรียนไม่ทําการบ้านเปอ่านหนังสืกระตุนไปเล่นเกมกลัมาบ้านแทนที่จะรีบทําการบ้านอ่นนังสือกลับไปเล่นเกมไปดูหนังสือกระตุน้นไปเปิดดูเทือกเปิดูเทือกทัานบางเวลาสอบการเรียนก็ไม่ดีผลสอบก็ไม่ดีเพราะไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวให้สมโดนนั่นเองการปฏิบัติในเป้าหมายก็คือการละอุ ป, ปทานยึดมั่นถึงมั่น ว่าเป็นยาเป็นของเราเดยขําธ์ห้าวิทยาลูกวิทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นสภาวธรรมรูปก็เป็นอย่างรูปประทังออกจากน้ำวนไปเหส่วนวิทยาสัญญาสรรงงังขารวิญญาณก็เป็นนานมธรรมออกมาจากจิตปีนาการของจิตเฉือยจากอาการของน้ําน้ําก็มีฟองน้ามีคลื่น มันก็มาจากนั้นจุดก็ม right? ีอาการก็มีเด้ขณะได้ขก็มีทายามีสุขมีทุกข์ไม่สุขม่ทุกข์แล้วก็เป็นของอนิจจังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทกมีเหตุมีตัณใจทําให้มันเปลี่ยนแปลงของมันบางครั้งบางแล้วก็ควบคุมได้บางครั้งบางคราวเราก็ควบคุมไม่ได้ ถ้าควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปถ้าอาการแล้วจะมีกล้าเหงือกแล้วก็เหงือก้าหงืแต่ถ้าเกิดเราไปหลงอยู่ในป่าไม่มีอะไรผ ม, มนุอกงก็ต้องก็ต้องป่อยให้ให้หลงไป ต, ต้องทำใจให้เฉยได้ถ้านั่งสมาธิใจ น, นี้ช่วยได้เยอะเวลานั่งสมาธิแล้วจิตเ็นอย่างนี้จิตก็ไมรับยืมเมื่องความหมอหานั่งไปตอนนั่งใหมายนี้มันจะสั่นสั่นก็สัน แต่พอจิตแน่เนข้าไทีนี้ั น, นหนายไนี้ะว่าดงที่ท่านอยู่ในป่าท่านก็ไม่มีอะไรป่าท่านก็มีแค่ผ้าสามผืนนี่บาอาจารนจุมากนี่ท่านกอยู่เพียงหมอนเพยไห่เพีย่ดุจเนี้อกรกมันเท่าไรเกจะกเป็นที่สุดนี่ท่านก็มีแค่ผ้ากีวรที่ท่านทักิตท่านก็ใส่เนี่ยแล้วแล้วก็นั่งสมาธิ อย่างผ้าการละเต็นนี่ก็เป็นสิ่งที่มาทีหลังในสมัยแรกๆนี้ผ้าจะมีแค่ผ้าของผืนนมีผ้าขนวงคือผ้านุ่มแล้วก็ผ้าจีวอคือผ้าหมแล้วต่อมาอากาศมนหนาวพระท่านก็ไปขอรี้พระพิจาว่าขอหาผ้ามาเพิ่มผมได้ไหมพระพิจาก็ตอบทุาเู้าดูในช่วง ตรงนั่งสมาธิเช้งได้แต่หกโมงัย็นสี่ทุ่มทงรงของมจีวรถุงเดียวพอสี่ทุ่มตายแล้วก็รู้สึกว่าจีวรถึงเยวไม่พองก็เอาจีวรถุงมาผมพอหลังจากของอยามไปแล้วไงเนี่ยก็ต้องเอามาอถือเพ <í ns> ่งมาผมเป็นสามถือถึงจะพอเพียงจักการดูแลรักษาร่างกายแต่ส่วนจิตใจนี่ เราเข้าไปในสมาธิแล้วมันไม่เป็นปัญหาเลยทีีคนที่ยังเข้าไม่ได้เป็นอุปสรรคถ้าเข้าไม่ได้มันก็จะตันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคนเข้าได้แล้วมันก็เดี๋ยวแล้วอีกประการนื่เรานั่งขับสมาธินี้เันจะมันจะสร้างอุณหภูมิในร่างกายของเราให้ขึ้นขึ้นผเห็นดูเวลานั่งสมาธิในหน้าร้อนีมยวจะแตกเนยเพราะว่าร่างกายมันก็ค่าร่างกายมันถูก ควคุมมันไม่ให้ไม่ให้ความร้อนหนึ่งแพ่ ก, กระจายตมันก็เลยถูกอยู่ในร่างกายตัอย่ามันจะราบ้าเราทานรองเท้าแต่ถ้าเรานั่งขัดเป็นแบนี้มันจะถูกจะถูกกัดไวอยู่นะเลยมันในร่างกายมันก็จะทาให้ร่างกายเรู้สึกร้อนขึ้นอึดอขึ้นพระพุทธเจานน้าเองได้อนุญาตให้มผ้าสันสติโือให้ทาเป็นผ้าของสองชั้น พีออนี่มันจะเป็นผ้าชั้นเดียวแต่ตั้สังกัตินี่จะเป็นผ้าสองชั้นเป็นเป็นเป็นพีออสังถึงเย็บควบคู่กันไปเไว้เป็นผ้ากันหนาวประมาณนี้ถ้าเป็นพ้าที่เขาทําพิธีเขาก็อามาผ้าที่เรกบาเพราะเป็นธรรมเนียมของพระว่าจะไปไหนก็จะต้องรักษาผ้าตั้งสังกัดไวถ้าอยู่ใกล้เกือเสมอ ตกินี้เหตุฉุดเฉินเกิดจะต้องไปไหนมาไหนทุกปัจจะได้มีมีบริฐานครบคลวนอยู่กับตัวไม่ใช่จะคอยยื่งหาค่าอยู่ไม่ตรงไหนเกิดมีเกิดมีอะไรใครมาไล่ขับไล่ให้ต้องไปทันทีทันใดอะไรเนี้ยมันจะได้เพราะได้เสื่อมเองเสื่อเมื่อก่อนทนน่านก็จะเป็นพระที่ดำเป็นนใหญ่ท่านจะไม่อยู่กับที่ท่านจะไิอลิกไปเรื่องเสี่อมที่ไปเรื่อง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 การรู้จักปรับตัวนี่เป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะชีวิตของเราไมนะอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราต้องเราต้องปรับตัวเราอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นอากาศเราก็ต้องปรับตัวถ้าเราปรับได้เราก็ไม่คุกแต่ถ้าเราปรับไม่ได้เราก็คุกไม่ว่าที่ไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ยเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาล ก, ก, ก็ต้องปรับตัวคนที่เมีนเัเมนตรก็ต้องปรับตัวปรับใจ ตอนที่ไม่เคยเป็นก็ทำหมดปับโักเปนรัฐมนตรีก็ปรับเป็นไปอย่างนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในสความรู้ก็เกิดขึ้นจากการที่เราปรับตัวปรับรวยให้เข้ากับสภาพการจริงไม่ได้คือเรายังยึดติดอดีตอยู่เราเป็นรัฐมนตรีก็ยังที่ว่าเป็นัฐมนตรอยู่ยังอยากจะให้คนเราปฏิบัติกับเราว่าเหมือนแต่เราเป็นรัฐมนตรีใครเป็คนรวยก็ยังอยากจะทําุ่มเหมือนทำรวอยู่มันเป็นไปไม่ได้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 เป็นเหตุที่ทำให้พระที่ลงต้องอยู่แบบแบบแย่ที่สุดเล่ที่สุดลํำบับที่สุดโดยที่วัดตาลนั่นสารไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้าประปามันเป็นการฝึกเนยเป็นการฝึกให้เราได้ตับใจตับตัวเราให้เข้ากับสภาพของควาทําจริงขอชีวิตพอเราที่คนรเนี่ยจะต้องลงจดจจุดทําจุดสักวันเได้แก่เนี้ยเขาต้อง ถ้าพ่อถือคนก็ทอดทิ้ให้อยู่กับบ้านหรือแม่ลูกจะลากเรากปนะเพราะว่าต้องไปทํางานทําการเพราะว่าต้องไปมีอะไรของขังก็จะลากเราไปด้วยได้เี่าหั้นเวลาจะลากเราไปแล้วก็ไปไม่ไหวอยู่ดีเราก็ต้องหัาอยู่บ้านไม่ได้หาอยู่ที่ศูก็ได้มีความสุขได้อยู่ที่เฉี่นี่แหละความสุขที่สุดก็คืออยู่ที่เฉี่ยนี่แหละอะไรจะสุดเท่า ไปเที่ยวฮ่องกงกันอยู่บ้านเนี่ยเรอยู่บ้านสบายกว่าเนอยนอะถ้านสวรก็ไม่ต้องไปทำดีพราก็ไม่ต้องเไปขอไปผ่านอินเทอร์เน็ตันโดนเขาจับแก้งพระตรงนี้ก็ <c oughs> ยังไปกันถ้าอยู่บ้านไม่ได้เราะไม่เคยปรับตัวเองให้อยู่ให้อยู่กับที่ให้อยู่เฉยๆทำมีอะไรมาหลอกเลี้ยงจิตใจอยู่ตลอดเวลามีลูกนีเสียงมีเก่งมีว่ามีปวดกับพระตัวนีน้ต่างๆ แล้วก็ไม่รู้จักพอเพราะสิ่งเหล่นี้มันไม่เคยให้ความอิ่มความพอกับใครการพอมันอยูท่ที่การอยู่นิ่งเฉยกัสมอถ้าอยู่นิ่งเฉยเป็นเราเราก็จะพบกับความพอจะนิ่งเฉยได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติแล้วก็ทําสมาธิได้มีอสียงมีทานเป็นเส้นสลับเหนี้ี่ยแล้วก็จเจริญนิัพานา เ่ทุกขจะร้าวแล้ทุกข์เกิดอย่างมันเป็นทางทุกข์ขงนอยไม่รู้จะไเอาอะไรกากอะไมีตัวคนเดียวที้แสงจะดีมีอะไรก็ต้องทุกขกัสงนั้นสิ่งนี้นน ม, นมีสา ม, มีมีใครเาไม่ทุกกัสามีไมุ่กภรรยามไม่ทุกต์บลูกที่มาบอกให้ฟังเรื่องของความทุกข์น่อง <c oughs> <c oughs> ก็ตัดที่ใจสิตัดที่ใจตใจแล้วเขาไม่ใช่ลูกเราเขาไม่ใช่สามีเราเป็นเชื่องง่วงเกิลียดเจบตอยู่ด้วยกันก็มีความใม่กางพลังงานให้เรื่อเผื่อแผ่ด้วยกันรักกันได้แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าเป็นหยากให้เขาเป็นดังที่เราต้องการเขาจะเป็นยังไงก็เราเห็นเพคนหนึ่งเขเป็นอะไรเราเห็นโดยเด็นล้ยพอเขามาเป็นสามีเป็นลูกเราแล้วต้องต้องไปเรื่องทันที ก็เพ on ียงแต่ทำใจหัดทำใจลองว่าเ้าก็เป็นเหมือนคนอื่นกันแล้กันแต่เราอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนื้อหอเพื่อนร่วมบ้านเพื่อันอยู่เ่วยกันเป็นเพื่อนเพื่อกันเข้าบ้านเพื่อกันป้องกันภัยอะไรอย่างนี้หรือคนเดียวอาจจะมีคนอื่นเข้ามารบกวนเราได้ถ้ามีเพื่อน้คอยปกป้องกันคุ้มครองกันก็มีทางจบได้ เพียงแต่ให้เปี่ยนทักษักษณะของเราเท่าเองอยากไปชอทบทองของปัญญาเราได้อะไรมาเราจะเป็นตัวกูของกูขึ้นมาจริงๆจะต้องทําตามที่เราสั่งที่เราต้องการจริงๆขอไม่ต้องการความรักทิงเคยนี้ก็กลายเป็นความเปลียดชังขึ้ น, านมาเพราะความอยากไม่มีปัญญาไม่รูจะคิดจะปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์อารมณ์นี้มันจะถูกความอยาก ทวาอย่างนี้เป็นตัวอารมณ์ไา้ทอย่างได้อะไรก็ไม่เคยพอใจนั่นคือให้ทำอย่างนี้นก็แบบพอใจทำ อ, จทอย่างนั้นก็มันพอใจเรือว่าชอบกินอาหารชนินี้ก็ทาอาหารชนินี้นะ้ำ ก, กินผสมก็เบื่อเพาะว่าเขาอยู่ก็ไม่ก็หก็ชอบไม่ใช่ชอบก็ทำอะไรกินด้ย เพาความอยากมันเป็นอย่างนี้ยมันไม่เคยมันไม่เคยอยากได้ในสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันมีเนี่ยมันมันเหินกับของตายละชอบของเป็นชอบลุ้นชอบชอบจะได้ไหมได้เนาะคิดแล้วก็รู้สึกว่า ม, มีความสุขตื่นเต้นพอได้มาแล้วก็หมดความปรารถนาแล้วก็วหาของใหม่ นี่คือคือคือการหาความอยาเราต้องเห็นโทษของมันเราอย่าไปเฝ้าตามมัน้ใช้เหตุผลที่ส้างที่เราอยากจะได้เราใหจคิดนว่ามันมีความจำเป็นไหมคือถ้าเรามีความจำเป็นต่อการเวลาสภาพร่างกายของเราเราก็ทำมาหรือมีความจำเป็นต่อการเวลาจิตใจของเราเราก็ทำไปนี่เราก็นั่งสมาธิต้องเดินเป็นกลม จะในปัญญานี่มันจําเป็นมันจํำเป็นมันจำเป็นกับกิตใจถ้าอย่างนี้เราไม่เลือกว่าเป็นไปมันเป็นมัดมันเป็นเป็นเป็นเครื่องที่จะเชื่อดับทุกแบบปัญหาต่างๆหรือคําคุณทางร่างกายก็เี่กันถ้าเราต้องกินอาหารเราก็ต้องมีอาหารรับประทานเพียงแต่พอให้มันจัดประมาณคือไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปแค่เป็นควดีกับการก้องการทางร่าง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 มาให้มันทำรูปทรงก่อนเวลาที่สมควรใจก็ต้องมีรักษาอย่างใจนี่แหละเป็นเป็นงานเป็นงานหนักเป็นงานหนักด้วยเป็นงานที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าเรารักษาใจได้แล้วปัญหาต่างๆจะหมดขึ้นต่เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นี่ที่ทา่านที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตขึ้นมาเพราะว่าท่านรักษาใจท่านท่านรักษาดูแลกำจัด ความโลคความปวดความหนืยความอย่างต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเพราะความโลคความปวดความหนืยความอย่างต่างๆนี่แหละเป็นต้นเหตุของปัญหาใจที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจกังวลกวายใจเวลาร่างกายเป็นอะไรก็ปัญหาในเรืงความอย่เวลาจะตายก็ก็เวลาอยู่เพียงแต่คิดถึงความตายมันก็ทุกข์แล้วก็เกิดจากปัญหา ถ้ากำจัดมันได้แล้วไม่ต้องหายต่อไปแล้วหน้าที่หลักของเราหน้าที่หลักๆก็มีสองหน้าที่คือดูแลรักษาร่างกายการดูแลรักษาร่างกายก็ต้องมีมีรายได้ก็ต้องทํางานทานําการแต่อย่าไปทํำจนกระทั่งวันงงผิดทางไปหาเงินหาทองเงาเงยถ้าจะสิทธิ์ชาติก็ไม่หมด น, นี้่มือหาไปทํำไม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 เพรอบายก็เป็นเป็นที่ใช้บาปใช้กรรมสวรรค์ก็เป็นที่ไปไปรับรางวัลคืนคุศล ม, มีพบชาติของมนุษย์เราที่เป็นเป็นภพชาติที่เราสามารถทํางานได้ทํางาน ท, ทานาําธารกิจทางด้านจิตใจให้เสร็จสิ้นไปได้ก็นน ม, ามาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นคนที่จะ ทำความก็ใจให้ถูกต้องว่าลราเกิดมาทำมเพราะส่วนยังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไถ้ า, า, า ไ, มไม่ได้เจอจากภรรยาท่เป็นเม่อเดีวถ้าไม่ได้อยู่นสัมนธนเื่อีก็จะป่องให้ได้ไปตามการอากหา ล, ลาบยึดเส ร, เ ร, เ ร, เร็แล้วสร็จจบกันแล้วก็ทุกข์่นวายกันแบบลาบนึดเสร็จแเสเพรา ะ, ราะมันมีทั้งเจริญและมีมทั้งเสื่อมเวลาเมื่อเจริญก็ดีออกดีใจ เวลาได้งานได้าการได้เงินเดือนเพิ่มไม่ดีใจเวลาถูกตรวจตอเนื่องก็เสียใจไม่ต้อ ง, งกังวลกับเรื่องอย่างนี้ทําไปยาอย่า ง, งที่อาตมาบอกถ้ามันต้องล้างทางนก็ต้องล้างทางถ้ามันไม่มีทางไปมันก็ยังเป็นงานที่มีสรรพคุณมีกระไปรักไปคำโมไปโกหกหลอกอย่างพว่ แขนยาวจะทําอย่างนั้นให้เขาทําไปครึ่งนึ่งก็ทุ่งงานไปไรทุ่งานใหญ่ที่เราไม่ชอบเนี่เพราะจําเป็นต้กแขนอย่างเนี่ยมีความรู้สึกคนมันถึงความรู้สึกจะก็องมีความทุกข์ในใจขึ้นมาโยกกระเบื้องเพราะว่ามันมันไม่มีทางเลืกมันจะอยู่ว่าบาด้าน้ายก็ต้องต้องต้องเห็นหน้าต้องปัดตว่าต้องต้องถือทื้นเพราะอย่างเขากันเนี่ยเราก็ต้องทําตาม ในอย่างไรพัาอะไนของเราความเป็นที่บังบังทำให้เราต้องทำเราก็ทําไปถ้าาใจมันไม่จิดเพม้ยนผิดทดดันไม่เสียหายใจเราเราฝาดได้ถึงได้ถึงยิ่งไปสักทั้งระยะห น, นึ่งมันก็เคยถึงมันก็จอบชอบขึ้นมาได้ความที่ไม่ชอบนี่ก็เป็นตัวเป็นขมไทย ก็เป็นต่นางหากนี่าวตะันคือทําไม่อยากอยาก่งนั้นสนี้ก็อยากเป็นตินั้นงนี้ไม่มีใครอยากจะจนไม่มีใครอยากจะลำบากไม่มีใครอยากจะล้างทั้วล้างชาตอยากจะที่นิ้วนั่งบอกเจ้าถ้าทาอย่างนั้นท่านนี้ <c oughs> ม, นมีคนใช้อย่างนี้ แต่พระนี่ยทั้งสองไม่ให้ไม่ให้มีคนใช้ให้ครึ่งตนเองถ้าป่านี่ยสำคัญมันไม่ให้มีใครรับใช้อย่างลูกผู้หลักผู้ใหญ่จะมาบวชที่วัดป่าต่างๆเนี่ยเราจะขอเอาเอาเด็กพระทช้าม า, <Okay. S 1> าผมบอกให้เลือกแต่พระจะเอาเด็กพระใช้พระลูกก็ไม่ต้องมาถ้าลูกจะมาก็ไม่ต้องเอาเด็กพรนะใช้มาแต่จะมาทั้งสองอย่างไม่ได้ก็มีเท่าที่จําเป็น คือทำส่วนใทญ่จะทำจที <I mots ure> mm ่มันพระเองทำไม่ได้ก็จะต้องถางป่าถาหญ้าตัดต้นไม้อะไรนี้พรบอันไหนที่พระทาไม่ได้ก็ต้องให้ฤิษีทาให้ระเคนองที่พระระเคีนแค่นีไม่ได้ก็ต้องให้มีสรวัตรพระคนคอยจะคอยตะเคยนให้ยังทองจากเองไม่ได้ก็ต้องให้มีสรวัตรก็เจ็บยานอรัให้เช่นสมัยที่มองอุ้ยที่บวชอยู่ที่ยันต์ตัดไม่ได้ทำเทารไม่ทำไ อนั้นพยายามตัดตัวนะพยายามเกิดพยาบบยามลดพยายามไปเจอแบบทางยากลําบากให้มันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขยับอันดับทางลำบากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่งให้มันนานขึ้นนะมีเก็บปวดทนความเก็บปวดให้มัน น, น, น, นานขึ้นไปแล้วพยายามทำใจให้นิ่ขงขาขาอุบายจะพิจารณาก็ได้จะสวดมนต์ไปก็ได้จะข้องพิโทโภพิโทโภไปก็ได้ แล้วก็ปล่อยให้ดวยธรามันธรรมดาการผ่าไปมันจะดับก็ให้มันดับไปเองถ้ามันไม่ดับก็ให้มันตั้งอยู่นะปล่อยถ้าตัดใจให้ล็อกกับธรรมาติความเป็นจริงเท่ัถ้ามันใมันก็งะ่องกให้กลับมาหาบทสวดมนต์กลมาสวดมนต์มากลับมาพุโตเพราะอย่างเวลาที่บางทีต้องสวดบาต้องใบัดที่กลัวๆพอราเวลากลัวมันก็จะไปคิดถึงเรื่องที่เรากลัว ยิ่คิดก็ยิ่งตัวให่นั้น yes. แต่ถ mm. ้าเราถ้าเราไม่อยากเกิตัวเราต้องหาที่ขึ้นแล้วก็จะคิดถึงพุทโธคิดเกิดขึ้นมาคิดถึรนมาก็ลยจำจะพุโธพุโธฝากเป็นฝางตายแล้วก็คิดถึงเวลากลัวมากๆมันมันไม่จะหาที่อายขึ้นแล้วก็กอดกับพุทโธแบบนี้ก้อนกอดไปเยะเดียวติดมลนก็รวมโยมสงบโยมพอสงบโยมกความตัวก็หายเลยพราความกลัวมันเกิดจากใจเราเอคิดที่หนเอง อย่ยไปเวลาเกเดีย่ไปคิดถึงทางเกิดอย่าไปโง่เกิดอยาหาทางเกิดอย่าลรโคว่าอย่าไปหาทวามโกรถ้ายึดกับมาหาทุกโโทุกโคทุกโโอย่างเดียวแ้วความเกิดความโกมันจะเป็นงานก็ฝ่ายหนึ่งเป็นต่อแต่ถ้าอยู่กับทุกโโได้ตลอดนี่เดี๋ยวจิตมันรวมรวมครับล้วมับหายไปหมดเลแล้วมันจะรู้ว่าเราโง่เองเราผลิตความโกรธขึ้นมาเองเราเราเผลิตความเียดขึ้นหเอง พวกเราเนภาวนาไม่เป็นกันถ้าวาวนาเป็นแล้วมันจะรู้จิตนในใรร่ันไม่เคยรวมกันถ้ารวมแล้วมันจะรูปัญหาทั้งหมดอยู่ที่จิตมไม่ได้อยู่ที่หลานที่ต่างๆเาก็อยู่เพราะเาเองเาไเาเม่มีอะไรเราไปเราไ ป, ไ ป, ไ, ป, ไ, ป, ไ, ปไปวาดไปไปวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองเวลาทุกแกงยังทำเดนยืน่นบนหลงคาหน้าก็คิดว่าผีมา ที่ท่า น, นี้ลิซอยู่วัดใหม่เนี่ยมาอยู่กุตินี้นะฮะแล้วก็อยู่ไปแรกๆอาจจะ ก, กลัวก็อยู่นา น, า น, า น, านานเข้านานเข้านานเข้าความกลัวมันหายไปแต่แต่ก็ไม่ใช่คิดว่ามันจะหายไปหมดนะแต่ถ้าพอแต่ตรงนี้ทํามคุ้นเคยแล้วมันก็จะชินแต่พอเปลี่ยนพื่อความกลุ่นโผล่มาให้เห็นที่ใหม่แล้วเป็นทผ่าปี่ที่ใหม่ เพราะว่าตรงเก่ามันจะไม่เหมือนความกลุ่มมันได้หายหมดที่นั่นเราเรารู้ว่ามันไม่เหนื่อยน่ากลัวนะแต่ที่เราไปใหม่นี้เรายังไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ามันก็ปรุงแต่งเข้ามาปรุงประการไปเองพออยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่ปรุงประการไปาองแเราก็จะรู้ว่าเราเราหลอกตัวเราเองตลอดตลาสถานที่เลอกเราไม่ได้สถานที่เขาไม่มีอะไรถ้าแค่จะยิงน้ำยิงไป ต้งไม้ใบหญยย้าอเวลาเนี่นยีวิตอวของเราลราเราหลอกตัวเรายัางตอลอดเวลาเราสมมติว่าถึงท่านดีถึงทู้นดีแล้วก็ไปแย่งกันก็ได้มาแล้วก็ไม่เอาแล้ะไปสมมติอย่างอื่นขึ้นมาแล้วก็วาาไปแยกกันอ่ะต่นนั้นเหมเปลี่ยนไปเัื่อยๆเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สีนั้นเดี๋ยวก็สีนี้ ลอกกันไปลอกกันมาา้อเราท่ไม่ว่าถ้าเเกาาที่ตัว่มามคือไม่ใช่ปว่าเราปฏิิที่เถ้าเราป็นแนยาเปีก็ม่เหมือนจะเราเรียนักเอยู่โรงเรนช้นนี้แล้วเราเปลี่นยนโรงเรียน ใช่ไหมแต่แต่ถือว่าเราจบจบม5แล้วก็เราก็ไปตสอบมต่อบหรือถ้าโรงเรียนเขาอาจจะให้เราสอบดูเขาเขาสอบคุณปัญญาเราดูแต่ทางทางด้านจิตใจยังไม่ต้องทดสอบมันมันมันมันไม่มีการมันไม่มีการถ้าเกาดว่าไม่มีการมันไม่มีการเปลี่ยนเนี่ยเรียนถึงขัานไหนมันก็อยู่มันก็รู้อยู่ในทางนั้นมันก็รู้อยู่แก่ใจมันทําได้แค่นั้นมันก็ทําได้แค่นั้น การนั่งสมาธิได้กี่นาทีเาแล้วนั่งสิ่ครังแล้วจะนั่งได้เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชาตินี้หรือชาติ น, าต น, น้าตายไปสมมติเกิดไปแล้วไปนั่งสมาธิครั้งต่อไปใหม่มันก็จะนั่งได้เท่านั้นนั่งขึ้นก็ต้องก็ต้องถักมังขึ้นไปต่อแต่มันมันจะไม่ขึ้นด้วยตนนัวมนมากเลราะฉะนั้นเราต้องถักมันขึ้นไปเช่นเคยนั่งได้สามสิบเราอย่างจะนั่งได้สี่สิบก็ต้องเสริอนอีกสิบนาที นี่ถ้าเกิดเราไม่ผักขึ้นไปแล้วมันจะหล่นลงมาใ่ห้คับดีไม่ดีหล่นจะต้องเมื่อวานไม่ได้นั่งาเนี้ยเราพอกลับมานั่งวันนีนั่งไม่ได้สามสิบไปนั่งสามสิบนั่งได้แค่ยี่สิบถึงต้องรักษาว้าสิ่งที่เราทำได้ก็ต้องรักษาว่าสิ่งที่เราจะทำไม่ได้ก็ต้องพยายามทำเพ่มมากขึ้นเรืองเครื่องลูกเหีม่ใชอมาัแว่าอันนี้เราต้องเน้องที่ ถ้าพูดแบบว่าไม่มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเขามีเหตุปัจจัยอย่างองื่นเขามีภาระจิตมีอะไรอย่างอื่นที่เขาไม่สามารถมาได้แต่ถ้าเป็นหความชอบล้วนๆนี้มันก็มันถ้าเป็นความชอบล้วนก็หมายวาึงเคยจสะสมมาอย่างเคยชอบอะไรก็จะชอบอย่านันแล้วมัเกี่ยวข้องกับธรรมนี่มันกับเราคนไหมครัคนที่เข้าวัดตั้งแต่อายุได้น้อยบางคนที่เข้าตอนอายุมาก เียวนะเวลามันก็มีส่วนเป็นตัวที่จะคระทขางมันจุดประจายสมมติเรามีเชื้อต่ำแล้วแล้วพอได้จุด ป, ประจายตอนนั้นเชื่อมันก็จะมันก็จะเริ่มทา ง, งานก่อ<ม>แต่ถ้ามันไม่มีโอกาสเช่อนอาจจะอยู่เมงไทยแล้วไม่เคยเจอครูบาอาจารย์ไม่เคยมีใครแนะนําพาไปให้ปฏิบัติทั้งทั้งที่เราอาจจะเคยมีมีอะไรอยู่บ้างแล้วแต่มันไม่ได้รับการติดตัว ข, ขึ้นมา เน้นฐานที่มันยังคู่อยู่แต่ถ้าไม่มีใครเติมฐานใหม่เข้าไปมันก็จะไม่ <Nein. S 1> ลุกตึวดังนั้นการที่เราได้คบคนเนี่ยมันจะมีมมอยู่ส่วนนอดทางในมงคลระสือท่านสอนให้บทแรกเลยเสรมานาจะบรลานาให้คบบัณฑิตห้คบขงษัาบังดีก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันตพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่คื อ, ค อ, คาาคอบัณฑิต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 มันมีมามากแล้วมันมีแรงอยู่ในตัวของมัน แ, แล้วเนี่ยไม่ต้องอาศัยมันเด็กไม่ต้องอาศัยใครก็ได้มันจะไปของมันเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงเวลาท่านก็ไปนี่นแหละอยู่อยู่ในวังแสนเงีุบแสนสบายมีแต่ทุกคนมุ่งหน้าไปในวังนั่นใช่ไหมมีใครจะวิ่ออกจากวังไปในป่ามั้งไม่มีหรอกแต่เนี่ยบุญบามีที่ท่านได้รับเพิ่มมา มันมีพลังในตัวของมันมันแรงมากแต่ไม่มีใครจะยับยั้งเหนี่ยวรั้งไว้ได้มันก็จะไปถ้ารำเนพนฉลาดนั้นมันก็มีสองสองทางเลยไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นท่าอันน่งเป็นท่าอันหนึง่งก็คือมาเกิดแล้วได้มามาสัมผัสกับธรรมะทมั้งสองมาเปอศิบาจารย์มันจะไปอย่างรวดเร็มทุกคนที่บรรลุ เวลาที่มีทวามแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่ที่บุญเราเอที่เราได้บุญเพิ่นาถ้าเรียนอยู่ในระดับหนึ่งก็ต้องมาเพราะว่ามีสี่ปีเราเรียนมาปีนักงเกือบสี่ปีเราเรียนปีนึแล้วก็ต้องมาเรียนต่อสามปีสามปแต่คนที่เขาเรียนมาสามปีแล้วเขาก็เรียนแค่ปีเดียวถ้าเขาเรียนมาสมปีครึ่งแล้วเขาก็อีกหกเดือนนี้คนบางคนเรนมันรูได้เลย บางทีฟังธรรมเพียงครั้งเดียวพระอัญญาณปุณธญาฟังธรรมครั้งแรกก็ได้บางทีเป็นพระสวยมากเลแต่ถ้าถ้าเป็นจ้าว่าขี่ขี่ลูกแค่อย่างนั้นไม่ได้บรรลุเพราะปัญญาท่่อย่างบางท่นไม่เท่ากับพระอัญญาณปุณธญาแต่ก็ไม่ไม่ห่างกันขลาดไล่ไล่กันตางๆามกังมาติดติดกันอาจจะห่างกันเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ได้ พอฟังแล้วเอากลับไปที่นิพพิจายาอีกครั้งสองครั้งทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาก็าจะก็จะบรรลุได้จะ ไ, ไม่ได้บรรลุในขณะที่ฟังแต่บรรลุหลังจากที่ได้ฟังแล้วได้แต่ก็ปรากฏว่าได้บรรลุเป็นผ้ า, าหนังทอกนในลำดับต่อมาไม่นานหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทาอีกครั้งสองครั้งก็บรรลุเป็นผ้ า, าหนังที่งา เปนท่ารันท่ า, าอืนแรกของของของพระพุทธศาสนาะตามจากพระพุทธเจ้าเราพอผมในเทศบูชาพวกพวกฤาษีหรือพวกนักปฏิบัติในนักที่เองที่เขาปฏิบัติทางศีลสมาธิมาแล้วเขามีทางมีศีลมีสมาธิมาแล้วอนะพอแสดงแสดงทางด้านปัญญาแดงทางด้านฤาษีธสนา เขาฟังเหมือเดียวห้าร้อยลูกกบ็บรรลุเ อ, องพร้อมอะไเดีย้ยเพราะเขาติดอยู่ตรงนั้นแหละติดอยู่ที่ปัญญาถ้ายังไม่เห็นคําว่าอนัตตาอนัตตานี่จะไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระโอค์แรกพระพุทธเจ้าเนี่จะเป็นผู้ที่จะจะรู้อนัตตาของเพื่นมารู้แล้วก็มาสอนผู้อื่นมาสอนผู้อื่นพอเขาฟังแล้วทุกเจ้านาะครับเ้าก็เข้าใจเหลังจากเมื่อก่อนที่จะเป็นนี้ เป็นปลาไหลอย่างเนี Rama, haven, ้ยแต่หมองนูเขาเขาบอกนี่ไม่ใช่ปลาไหลมันเป็นงูอีกชนิดเป็นูคลิปอเี้นเราเข้าดูแยกแยกดูว่ามันมีนักนต่างกันเขารู้แบบเดียวกันแบบที่ไระเจ้าทรงสอนพวกเราที่เห็นว่าอัตตาปราตัวความมันไม่ใช่มันไม่ใช่เปราะตัวตัมัตาไม่ใช่ตัวสอนนันเราเอาไปพิจาณด แล้วก็จะเห็นที่ท่านอ่อนนี่มันมันมันอยู่ที่ภูมิปัญญาของแต่ละคนที่ได้ได้สะสมมามากน้อยถึงเรแต่ลอที่ที่เราได้บําเพ็ญมามากน้อยถึงเราจะสัเร็จได้การปฏิบัติของเราในปัจจุบันนั้นเป็นไปตามตามลําดับของมันอย่าไปคิ่ข้ามชั้นกระโดดชั้นโดยที่ไม่ได้เรียนนั้นไม่ได้ โกหกเวลาย้ายโรงเรียนก็เคยโกหกครูว่าจบเรียนจบป .2 แต่ไปบอกจบป .4 เขาให้ไปเรียนป .5 เดี๋ยวก็เรียนไม่ผ่านอยากตายไหมเชื่อใจเห็นหน้ากคนนี้มา่อ เดินทีเหอเพามธรรมดาไม่เคยมากน่ใการหจเลยอี่ยจัตะน่าจะมีอาจมาเที่ยวอย่างนี้ในองค์พระปฏิบัติไม่มี แต่มันไม่มีการมาประกาศบอกกันนเลยเพราะว่ามันอยู่ในในโลกที่เราไม่ไม่สามารถที่จะประกาศได้เราจะมันจะมันมีอะไรหลายอย่างอย่างที่เรอาจจะสร้างลัที่เลียงแบบแต่คนนั้นก็ประกาศกันทุ่นไม่หมดเลยไม่มีมม้ิทธิ์ออก แต่ไม่จําเป็นละ่ะผู้ย่อมรม้อยู่จากใ จ, ใจย่อมมีความพอใจอยู่กับคนเองผู้อื่นจะรู้ไม่รู้ว่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญเหมืนเรากินข้าวอื่นแล้วคนอื่นจะรู้ว่าเรากินอืน่นหรือไม่อื่นไม่สําคัญนอกจากแ้่เราเท่ต้องคอยบอกว่าอื่แล้วเพราะนี้เดี๋ยวโดนเรามาทับให้กินหอืน่น <laughs> แต่ถ้าเรื่องทางด้านติดใจเนี่ยผู้ปฏิบัติจะรู้เองเรื่องสันติโก แล้วไม่มีทางก็บเงินจะต้องไปประกาศ บ, บอกแต่พูดคุยแบบรู้กันที่แท้ว่าองค์ไหนจะต้องเห็นด้ า, ากกนหาธรรมร่างกานเมื่อยู่ร่วมกันแล้วเห็นเจริญวัดศีลการมข้าววัดปฏิบัติของแต่จะให้เฉยใจแล้วต้องคุยกันคนคุยก็จะต้องไปทำละในระดับเดียวกันถึงจะรู้ได้ว่าท่านอยู่ในระดบับนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าท่านอยู่สูงกว่าในกรณีนี้ แต่ถ้าท่้นอยู่กันกับเราเราัวนี้ก็เราเคยผ่านนาแลวแต่ตัาทาี่สูงกับเราเราไม่เคยยังปไม่ถึงเราจะไมรู้เราเคยขึ้นถึงชั้น14แต่ชั้น15เราจะไม่รู้ว่าขึ้นไปชั้น15เราจะมองเห็นอะไรเรียสูงยี่งไปยิเห็นไกลขึ้นไปลตออยูชั้น2เราจะมองเห็นได้ในระดับนี้พอขึ้นไปชั้น10จะเห็นได้ระดัน บ, บนี้ คนที่อยู่ชั้นเจ็ดนี่จะรู้ชั้นเก้าลงมาถึงชั้นหนึ่งว่าเคยผ่านมาแล้วแต่ไม่ท่้นสิบเอ็ดถึงข้นสิบช่านเป็นชั้นร้อนจะไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่เปิดอยู่เสมอชั้นเดียวกันนี่มองตากันร้เลยนะฮะเห็นด้วยจิตนะคะก็จะมีมีแค่แค่มองตาก็ทรับเพงค่ไม่อันนี้อาตมาไม่ไม่มีถกตางสามารถยืนยันได้ อยากต้องจะจ้อะลรถ้าาจะจะจะนองได้จองเปลี่ยกิริยาการพอจะแบบว่าคุอมูรลูศิษยเนี่ยรู้ว่าหูตาท่านมองเนี่ยี่านคงจะรู้หมดแล้นความเชื่อมั่นที่ลุกศิษย์มีนะท่านาาตาท่านมองไม่ทาคไ่า ก็เท่ารอกาเจอแล้วมาม า, มาเจอจอเจอแล้วก็ไปแล้วล่ะแล้วไม่ได้ส่งสายตาอะไรอะไยนผไม่ได้หม่ทุกอย่างเลยตัวมาที่เท้ า, ท, า, า ท, ท่านนะที่เท้าท่านนะได้จาะใหท่านก็พอใจนะท่อาจาร์ทบทวนที่นูเมื่อคราก่อนนี้ที่อาจารย์ใตาพูดถึงเรื่องของ ทำบุญกันนะครับที่ว่าผลบุญแตกก็มีสองส่วนส่วนหนึน่งอาจะรยบอกว่าผลที่ได้รับก็คือว่าพระอรหารจะไ ด, ได้ฟังธรรมนะครับแต่ละระดับก็มีมีสิทธิภาพเหมือนกันได้ส่วนนี้ก็คือความเมตตาที่เรามีให้ก็ใครก็แล้วแต่ไม่จะเสมอตัวกันแต่โยมมีควรู้สึกว่าเวลาเราทําบุญเนี่ยนะครับสมมุติเราทำหลวงตาเนี่ยเรามาทำมาที่นี่ลวนะค่ะทานอาจารย์ในความปื้มปิดยินดีในใจมันเกิดความเย็นชามในใจมันมีซึ่งตรงนี้มันแตกต่างกันหกับการทํากับ คนอืที่ทำแบบคนพิการหรืออะไรก็แล้แต่ตรงนี้ตรงนี้มันมันมันรู้สึกได้ว่ามันแตกต่างกับความตื้นตือยู่ตรงนคือมันอาจจะอยู่ที่อุปทานของเราเพราะบทีถ้าเราไปทำกับพระอริยะที่เราไม่รู้ว่าท่านเป็นเราก็อาจจะไม่มี้ทำเพื่อเปลี่ยนแปลอันนี้ใจต้องการขึ้นศรัทธาในครับศรัทธาที่เรามีก่อนคือเรื่อนั่นแหะเืออุปทานเรืศรัทธาไม่งันอันนี้จะเป็นตัวมัน ก็จะว่าเป็นก็ได้จริงแต่วมันมันมันก็เป็นเป็นธรรมแหะคือว่าติดเรือบางสิเรารู้ตัวที่เราไม่ได้ใจยึดติดว่าเรารู้คือเราเป็นพี่นักกันเนาะว่เป็นพระพุทธเจ้าเนาะใจเราก็จะมุ่งไปอย่างนั้นมันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นมันจกิขึ้นจากความปรุงของเราเองครามคิดของเราเอง แต่ถ้าไปเจอเขาไปเจอกับประุเจ้าเราก็ไม่รู้ไม่รู้เราจะอาจจะรู้สึกว่าไม่มีความมี่เจตนาจริงๆแม้แต่หมาแมวเขาอาจจะมาใช้ชาติเป็ม่สั้นอยู่ใช่จริงมูวิศัยอาจารย์พระพุทธศาสนาสุดท้ายก่อนที่จมาเป็นพระพุจ้าก็ได้แต่ทุกคนเราริ้นลูกรู้ตรงนั้นขึ้นมานี่ยกับหมากับแมวเาอาจจะพึ่งปีติก็ได้นั่นนั่นคือการทาความทาความเมตตาในขั้นหมาแต่ว่าให้เรามีเกิเมตตาต่อ คพื่อนสัรวมโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือราชาให้มีเท่เทียมกันความเมตตามีเท่ากันเน่ยเหมือนกับเราให้น้ําน้ำแกงนี้ให้กําหมาให้กับคนนี้ก็เป็นน้ํำแกาเดียวกันหมาก็กินได้คนก็กินได้ได้ประโยชน์เหมือนกันความเมตตาให้เป็นแบบนี้คือเมตตาเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจเราแ ล, และกับผู้อื่นเนอะ เพราะกามเมตตาทํา<ม>ทให้เราจิตใจเรามีความเฉลีเพื่อเพื่อระหวังเวลาเราโกรธกต่เราไม่โกรธเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันเวลาเราโกรธนี่เราขาดทวามเมตตาเวลาเราดับความโกรธได้เราก็ได้ความเมตตากลับมามันอยู่ตรงนั้นประโยชน์มันอยู่ตรงที่มันทําให้จิตใจเราร่มเย็นเป็นสกลดเราะในความเมตตาแล้วเพื่อนเราที่เกี่ยวข้องกับเราเขาก็ร่มเย็นเป็นเกล็ดไปด้วย อย่างที่สุภาษิตที่พูดไว้ว่าเมตตาขั้มุ่นโลกความเมตตาทำให้เราสงสารผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนั้นก็จบทุกเมตตาเราได้ช่วยเหลือเขาเราให้ความสุขกับเขาความสุขนั้นก็กลับมาหา <c oughs> ให้คทุกข์แต่ท่านสุขนั้นก็กลับมาหาเราความทุกข์แต่ท่านสุขนั้นก็กลับมาหาเราเวลาเราโกิดเราเสื่อมใจความทุกข์มันก็เกิดขึ้นในใจเรา ม, ม, มันอยู่ตรงนั้นคือความหมายของความเมตตางั้นไม่ว่าจะให้ใครให้เมตให้ความเมตตากับใครมันก็ความสุขเหมือนกันตอนนี้อาาา่านขาวว่าเมื่อวานนี้พวกที่พี่อะไรที่มินม้นที่มาที่กายเขาจัดยางเลี้ยงให้หวาโตจีนติดโต๊ะ <c oughs> ที่น้องทับลือที่น้องตาเวลาช่วยเหลือช่วยเหลือเงนขนาดเป็นเดือนะเดือนละแสเงแสสแต่ก็บอกว่าเขา่คาใช้จ่ายต่อเดือนละสีสเขาก็จาอาหารให้ให้คณะกินก็มีกายมีจเหมือราท่ว่าเขาไปเฉวยบบาปทำเขาทำบาปมาเอชาติก่อน พตพวกเราเนี่ถ้าทำบาปแล้วชาติน่าแล้ก็จะไปเป็นยิงของใจก็เหมือนกันใจก็มีความอยาก ไ, ด, ากไ ด, ด้อยากจะได้รับความสุขอยากจะได้รับความเมตตาจากผู้อื่นใมันไม่ได้เปลี่ยนไปตามร่างกายร่างกายใจยก็เปียบเทียบเหมือนกันกบถ้าร่างใจนี่กับพุกชาติเนี่ก็เหมือนกันกบร่างกายกับเสื้อผ้าอะไรเราจะแต่งให้เป็นพระจเจ้าไปยินก็ได้แต่งให้เป็นขอทานก็ได้ แต่ร่างกายเราก็ยังเป็นร่างกายเดิมใจของเราก็ยังเดียดิมใจใจของเราที่เยอะต้องไปเป็นสิ่นนักไปเป็นแบบเอกสารเพราะเพราะว่าเราต้องเราก็ใช้ใช้รับทช้ยุบิที่เราทำ ม, มาเรามาเกิดเป็นอย่างนี้เราก็ได้ร่างของมันแต่ใจก็ยังเป็นใจเดิมมีจิตลรคปวดน้องที่ความปัจจัยความสพติดความเมตตาเหมือนกัน เวลาได้รับความเมตตาก็มีความสุขสังเกตดูเราไปไหนเวลาคนเทักทายยินยามาสัสายแล้วก็มีความสุขท้งดีคุณครังางคนมีบอก ว, ว่าเวลาแผ่เมตตาเนี่ยเขาบอยแผ่ให้ตัวเองก่อนเคยได้ยินไหมครับพวกเขาอย่างนี้ว่าแผ่ให้ตัวเองก่อนจริมันแ่อย่างนึงเลยถอกไนะหมฮะเพื่อใจเข้ามาเพราะว่าให้เรา ให้ความสุขสําเราด้วยให้ให้ให้ความเมตตาเราก็คือว่าเราต้องดูแลใจให้เราก็คือเราไม่ต้องต้องไม่โกรธต้องไม่ไปทําบาปจับกู้ได้เปล่ารุ่มหนึ่งกู้ได้ก็เหมือนเราอ่ะองเพียงแต่ใส่เสื้อผ้าอชุดหนึ่งให้เลยใจกันใจอ็ของเราเหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับปิิปัญญาจะต่างกันก็สังเกต ขึ้นกันอยู่ตัวอ้วนอยู่ตอนที่เต้องในบางทึ้นกันอยู่ใช่ไมต้องเวลาของเขาให้พรเสร็จแล้วเาอนหอนไก่ก็หันก็เหมือนการสื่อสารเท่านั้นเองภาษามันไม่สามาถสื่อสารกันได้มากเหมือนเราไปคุยกับฝรั่งถ้าเราไม่รู้จักภาษาฝรั่งเขาก็เหมือนหมาตัวนึ uh ่งเราก็เหมือนหมาตัวนึ <h <h <h <h <h <h ่ง ในสายชาของเราก็เป็นเหมือนหมาตัวนึ่งใสายชาเราก็เป็นเหมือนหมาตัวนึ่งภะาพูดกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่ใจมันก็เหมือนกันใจเหมือนกันา้เหมือนกันหมาก็มีอาการสามีสองมีมีนมีเล็กมี่อมมีหลังมีน้ำีระดูกมีพิษเล่าเยเป็นดาติตของเราเป็นจิตไปตางเป็นจิตที่ไม่มีสีเจ้าเลักเล็กทำน้อยเจประพฤติถกต้องเลยจะเป็นเวลสาย ก็หมามัน hmm. ม mm ีเ hmm. ร <itu? S 1> ื่องเือหัวเรื่องเนเนี่ยถ้าเจอใครมันมีความอยากมันก็อยู่คนนั้นมันจะหาความติดตับตัวนั้นแัละอาจจะได้บ้างบางตัวถ้ามีสติปัญญาเช่นลงกับช้างที่บบราณหรกระเจ้า พที่พระุทเจ้าเสด็จไปดำมันชาอยู่ในในป่า<ม>ำลำพังก็มีมีเรียนกับชามาอุปถัมภ์พระเจะ้าคือจากนี้บางตัวเขาก็มีสติปัญญาสูงเท่ากับมนุษย์นึกสูงกว่ามนุษย์นบาง เราแบบรู้วิชาเข้ามาค่ะไม่เขาใจเพื่อนของท่านแล้วเราได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะสงสารท่านเลยสงสารสงส รเราโดยปติคเราไม่ต้องอน <c oughs> เรามองหน้ากันมันก็ถามีภรรยามันก็ส่งกระแสให้กันมีตลอดเลยะด้วยกิริยาการที่แสดงนะกางวันก็ยิง่งยั่จับต่อการกัมนะ <c oughs> ลุลละเวันนี้ส่งกระแสดีให้กันพอรางวัก็น่ารื่งเป็นส่กันใะนัมมีส่่ดีกิริยาการมันก็บอกมันเนเครื่องบอกกระล้วคิแต่ว่าผู้รับมันจะมีสติปัญญา พอที่จะพอจะรับดูหร่อไม่แต่คนจะไม่ค่อยดูคนอื่นเนี่ยมัวแต่คิดแต่เรื่องของตอนเองคนเองก็จะส่งสัญญาณมางานก็ไม่รับฟังเลยรับได้คือคนรจะรับได้ที่จะจะมากจะน้อยประหยากจะละเอียดมันต่างกันคนเราสื่อกันบางทีไม่ต้องใช้ภาษาไม่ต้องใช้คำพูดใช้กิริออยาการ มองหน้าหลองต า, า, าพยักหน้าบางาทีไม่ต้องพยักหน้าเึ็นแตอยู่ในเหตุการณ์ก็รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไงกับเหตุการณ์นั้นเพราะอาศัยเคยได้ฝึกกันมาแล้วเหมือนผู้ทหารที่ปเป็นหน่วยเวลาเขาออกปฏิบัติการจริงๆเข้าไป ม, มานั่งบอกว่าทํำนีน้ทำนี้เพราะก็มีขายเงาตา อ, อยู่แนละ้วพอถึงเวลาเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องทนนะําอย่างนี้แล้วกาทํามท คือคือเข้าใจงแ ต, แต่คือเรามองในคนเระดับเรามองระดับปรัชาลึก น, นัน่ันมองระดับป่อวางมัไม่เหมือนก <c oughs> ันจริงจริงหม คือศาสนาดีได้เป็นห่วงได้แต่อย่าไปจะไปบังครับกันอย่าไปฝึกจะไปลากพาไปหาหมอพาใหท่านไปทำอย่างนั้นทำอย่าง น, นี้อันนี้เป็นการร่วงละเมิดเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีแล้ ว, ลวเราไปไปร่วงละเชีวิตของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตให้เราไปทําเราเสนอได้เรารอว่าเอ แต่เราอยากไปบางคร้งเนี่ยมาเสนอแล้วต้องไปถ้าไม่ไปแล้วจบใจเมื่อคบกันเลย้็มีปู้ึ้ษามาแล้วไมย่ ย, ย, ยอมใจเดี้ยงใจยันขย้อนคือว่าลองเจ็บเขาด้วยยังไงอะไรต่างๆมเจตบความต่างกัน้าดีความลังดีนะครับมัน ไ, ไม่มันไม่จะมีเสีงโแต่ละคนย า, ากจะ ม, มีมีวิธีการปฏิบัติกับชีวิ ต, ต, ตของตนเอง เรื่องเรื่องส่วนตัวก็ไม่ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวครับที่ร้อได้่เราลงใจแล้วว่าถ้าต้องการแล้วจะบอกถ้าไม่บอกก็ไม่ต้องกังวลญาติโยก็ทําหน้าที่ปภาวณาตัวแล้วก็บล่ากันไปโดยผ้านี่โดยปกติจะขอความที่เหลือจากผู้อื่นนะคราบถ้าเขาไม่ปราวนาตัวเขาขอเชิจนจะไปขอสิ่งนี้สิ่งนี้กับคน น, นั้นคนนี้ไม่ได้ยกไว้น บุคคลที่เป็นญาติทำอแต่ถ้าบุคคลนั้นได้ต่อมาตัวแล้วว่าจะรับใช้จะถวายสิ่งนั้น<ม>ถ้าต้องการตอนนั้นถ้าเราต้องการแล้วก็บ อ, อกเขาได้ถ้าเราต้องการนั่นคือแม่ตัว <laughs> มาว <laughs> ยกนลจะได้เป็นที่สบายใจจะได้ไม่ต้องมาห่วมาเข้วันยัยงนันที่ว่าจเจอจใจจิตใจวา้ มีความหวังดีบางทีมันจะเหมือนอย่างทิทางที่หลงวลงตาเขาเล่าใมาแบบะดงที่มันโดนสิงไม้ทับแล้วมันก็ร้องไอ้เป็นตัวเองมาเห็นเขามันก็สงสารมันก็มากระโดดบนเนินเขงไม้ไอ้ไอ้ถึงไม้นะมันก็ยินทําให้น้ําหนักถึงไม้มน้ําหนักขึ้นลิงก็ที่ถูกทำมก็ร้องแร ง, รงเฉยยิ่งร้องแรงก็ยิ่งตกไอ้ตัวก็ยิ่งตกใจกลัวยิงมาดูกันอย่าง แตม่มันไม่ได้ช่วยเหลือกันมันช่วยให้ดินตายการที่จงมาช่วยยกให้ตีนะ๋ว่าน่าหงุบหงิดไม่ทราบหรอกไม่ได้คิดถึงใครนะ การเรื่องนี้มันอาจจะมันมันมันอยู่ที่วิสัยของแต่ละคนนะคนที่เขามีวิสัยที่จะรับกระแสาจิตของผู้อื่นได้เขาก็อาจจะรับได้ถ้าเขาถ้าเขาเปิดเครื่รับของเขาแล้วกส่งไปแต่ถ้าคนที่เขาไม่มีไม่มีพลังจิตในทางด้านนั้นเขาก็ไม่รับเองแต่เรื่องพลังจิตทางแบบนี้มันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแนวทางทางการ ดับเป็นเหมือนกับเป็นความรู้พิเศษความสามารถพิเศษแค่นั้นเองไม่รู้เรื่องหล่านี้ก็ยังเป็นท่าอาหารได้เอดับทุกข์ได้สิ่งที่พราอาหารต้องรู้ที่จะเป็นท่าอาหารได้ให้รู้ใจนะท่านนี้ให้รู้อนิจจังทุกขังนั่นเอให้กําจัดอาสวะให้หมดขึ้นไปจากจิตจากใจที่เลยอาสวะแต่คนที่มีฤทธิ์มีเดชบางคนดับไม่ได้เป็นท่าหารเป็นท่า พระเทวทัพท่านก็มีฤึธิ์แต่ท่านไม่มีท่านไม่ได้มุ่งไปทางด้านวิปัสสนาท่านไม่มมมาาได้เป็ น, นปัญญาท่านกลับไปหล้อยู่กับฤทธิ์ของท่านแล้วอยากจะใช้ฤทธิ์ของท่านเป็นบันไดก้าวสู่ความยิ่งใหญ่คืออยากจะขอสืบทอดอำนาจจากพระพุทธเจ้าเพราะตอนที่ก็ว่าต้องมีมีลึกมีเดชแต่พระพเจ้าเห็นว่าฤึกเดชนี้ไม่มใช่เป็นตัวสําคัญ ในการในการปกครองผู้อื่นหรือว่าในการในการปกครองตนเองให้ตั้งอยู่ในความสงบให้ตั้งอยู่ในความหึกคพ้นจากความเจ็บต้องมีตัยยงยาต้องยีวัตถุปรัชญาตังยาอให้หออกเหนเดินอ า, ากาศได้อ่านอ่านติตอ่านใจของผู้อื่นได้และลึกชาบได้ แต่ถ้ายังไม่กำจัดไม่มีปัญญาที่กำจัดความโลภความัวดความหงอยู่ก็เป็นพระอาหารหันต์ได้แล้อย่าหลงประเด็นชว่วฤทธเดี๋ยนี่มันอยู่ในขั้นสมาธิมีตั้งมีก่อนที่ พ, ทรพระพุทธเจ้าตัดทะลุเป็นพระเอกาลในชั่วมงดูแลทุกโยคีนั่ก็คือโยคีโยคีที่ใคที่เขาอยู่เล้ก็มีมีวิชาต่าง <c oughs> แต่สิ่งเห่านี้มันยังอยู่มันเป็นเครืงมือของพิเรศพิเรศธรรมชาติแต่เขาเรี ย, ร ย, ร ย, รรยวิชามา <c oughs> วิชามารใช้วิชาเหล่านี้มาเพื่อให้ได้มาเคลนตามตามความโลกตาความใหหรือตามความโกรธตนถ้าโกรธใครก็ใช้วเดษนี้ไปทำราที่อื่นงอ่าสมัยนี้วเดษก็อย่างเช่นทุกอาวุธต่าง มันก็เป็นอย่างดเดิมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเอามาจากในใจแต่มันเป็นขึ้นมาขึ้นเหนือที่ใจผลิตขึ้นมาแทนซึ่งอาวุยุติเถรประการต่างๆก็เอามาเห็นท่าท่าต่นี้แต่ถ้าเป็นเป็นผู้ที่มีธรรมแล้วเอาที่ต่างๆเอาที่จันทรไม่เอามาใช้เห็นท่าผู้อาจจะเอามาปราบได้เอามาป้องกันได้แต่จะไม่ไปทำร้ายผู้อื่น เพราะั้นอย่าอย่าไปยินดีกัเรื่องริบเรือห้ายถือว่ามันเป็นของแถมไปจ่ายกับข้าวอย่าไปเอาของแถมแล้วลืมลืมทิ้กับข้าวกับบ้านโอ้ยชอบของแถมดีนะคอดูทุกวันว่าที่ไหนอะไรกไปซื้อข้าวกับข้าวกับปลามาถ้าได้ของแถมมาด้วยก็เอามาไม่เป็นไร แต่ะ อ, อย่าพิ่งกับข้าวกับปลาเล่เาของแถมมาเรงเดีย <c oughs> เด๋ยวาอดตายถ้า <c oughs> ไม่จเจริญปัญญาไม่จเจริญพิไม่พิจารณาตรรกะก็ะจะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นา <c oughs> จ, จากคามทุกข์นี้จะพิจารณาได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องมีจิตที่สงบมีสมาธิจิต ท, ที่ตั้งมัน่นไม่วอกแวกไม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ มันทั้งสองอย่างที่มีความเป็นๆท่านบอกว่าต้เจริญฉลัดกันไปนห้นการเดินเรามีเราต้องใช้ทั้งสองท้าคือเท้าซ้ายและเท้าขวาถ้าเราก้าวเท้าซ้ายเท้าขวาเราก็ยังไม่ได้ก้าวพอวางเท้าซ้ายเสร็จแล้วเราก็ก้าวเท้าขวาต่อไปสมาธิก็เชเดียวกันพอเราทําจิให้สงบแล้วเราก็มาเจริญปัญญาพอเจริญปัญาจนกระทั่งจิตมันพึงานแล้วก็หยเดก็กับมาทําำสมาธิต่อ แล้วกลับไปเอาจากสมาธิก็ไปเรินจงใจกันจะจะสนับสนุนกันคนคนเทาเดินก้าวเดียวใช่ใช่เท้าเดียวเดินนี่มันจะจะเดินเดียวหอกคึงใช่สองเท้าง่ายถ้าเราดีสองเท้าแต่ใช่เท้าเดียวก็ยเย็นไปกระโดดไปทีละเท้าทีละเท้ามันก็ไปไม่อึงไงถ้ามีสองเท้ามันจะไปเลย สมาธิสะมาติปัญญาปัญญาก็ทําให้จิตมีความหยักแน่นมีความสงบมั่นคงมากขึ้นไปเพราะความไม่สงบความความลอกแวกความหวั่นไหวของจิตนันเกิดจากความอย่างความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นตัวตอนนี่แหละทําให้เกิดความหวั่นไหวขึ้นมาความมีตัวในตอนแล้วมันเกิดการหหวว่าจะเกิดอะไรกับตัว พอไม่มีตัวไม่มีต right. ัวแล้วมันก็ไม่หวังถึงจะเห็นจะเห็นการไม่มีตัวตนก็ต้องคิดแงนายแยกแยกอีกเดียวเพราะตัวตนนั้นเป็นรวมอยู่ในร่างกายในทางสาริตเรเราก็ต้องแยกมันออกมาทำลายมันให้มันเอาแยกออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนกับรถเดินเอารถเดินนี่แยกออกมาเป็นสิ้นๆไปเลยบางส่วนเราไม่เน้นเ่องนั้นมันไม่เป็นตัวรถมันเป็นเพียงแต่ ชิ้นส่วนต่างๆมีล้อมีเครื่องยนต์มีเบาะมีที่นั่มีกระจกมีอะไรมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวกันตอนพอมันมารวมกันเท่ามันก็เห็นเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเราก็ไปยึดปจิกว่าเป็นตัวเป็นตนสิ่งนี้เราทําได้งแต่ว่ามันต้องมีเวลาต้องมีเวลามากถ้าเป็นการวาดยากอย่านี้ ก็ทําได้ถ้าเราไม่มีทว่ะไม่มีภารักิ่งท่าทนเป็นแม่บ้านอยูอย่บ้านทั้งวันแล้วก็ อ, ออกไปทํา ง, งานขังทำงานบ้านก็เป็นเหมือนกับพันธะนี่นยล้างเท้าล้างชางก็พุโทโธไปพิจารณาไปห้ง ข, ข้าวก็พิจารณาไปได้ถ้าเราทําจิตที่เราต้องทำมาทํำทีคนเดียวไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับพคนอื่นนี่ยมันจะสามารถ ท, ทําจิตภายในได้ แต่ถ้าเราต้องไปคุยไปสมทนาไปปรึกษาหารือกับผู้อื่นเนี่ยจิตภาวนาจะทําไม่ได้นะนั้น mm hmm. เวลาพระพระพิโลพระป่าท่านทาจิตนี้ท่านจะไม่คุยกันจ้ตเยอะการมีหน้าที่เวลาก็ทําหน้าที่ของตนไปภายนอกก็ทกํใจภายในก็ภาวนาไปโดยที่เราไม่รู้ว่าท่านภาวนาอย่ mm hmm. ท่านก็พิจารณาเราเป็นอาหารก็แล้พิจารณาให้มันเป็นปฏิปุณไปกระดับ าาในเ่ น, นี้เวลาเข้าไปในท้องแล้วมันเนเวลามันออกมาแล้วเป็นยัยงงพิจารณานั้นความความยินดีในในอาหารมันจะหายไป ผมไม่ทราบหรอกเพราะเราไม่ไม่ได้ตำหนิเราเนะแต่อาจารย์คนอื่นท่านอาจกะทราบก็ไ้เพราะอยู่ที่อยู่ที่พลังจิตของแต่ละท่านมันเหมือนกันทางด้านนี้มันเป็นเรื่องเป็นเป็นความสามารถเฉพาะตัวนครับพระพระญาบุคคลแต่ะองค์ท่านมีมีความสามารถเฉพาะไม่จ๊ะไม่เหมือนกันอย่างที่พระมุทธเจ้าสอนยกย่องยกย่องความสามารถพิเศษของแต่ะองค์ผมยกย่างข้ามวัคยาในเรี่องทางด้านนี้ พระสาริบุตรเก่นทางด้านปัญญาพระจิวเวอรีเก่นทางด้านทานบาลีาไปไหนนี่จะมีอ น, นิอนนสอนของทานบาลีของท่านจะปรากฏอยู่เสมอเือคนชอบทำายู่ถวายทานกับทานมากถ้าอ น, น์นี้ท่านจะมีความเก่งทางด้านความจำมผู้ฝ่ายดูฝ่ายฟังได้ทพกาะการเทศที่พระเจ้าเทศทุกการีจําได้เนี่ย นั้นม้แม้ถ้าพระอนุนไม่ได้ไปทำด้วยตัวเองก็ยังมางทําให้พระพุทธเจ้ากลับมาเทศให้พระอนปันธเป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งที่พระอนุนสร้างไว้กันหลบการรับหน้าที่เป็นพระอุปการหรือถ้าพระอนุนมีจิตอย่างเอื่นก็ไม่สามารถติดตามพระพุทธเจ้าไปในในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปแล่นก็คงแสดงธรรมได้หลังจากที่พระพุทธเจ้า กลับมาแล้วต้องแสดงธรรมให้พระองคคอะัองง์ฟัท่านขอเป็นพรประการเนื่องแต่ละองค์แต่ละท่านจืนงันเป็นงคการสามารถไม่เหมือนกันอย่างในสมัยปัจจุบันเท่าที่ทรา ก, กันอย่างหลวงปู่มัม่นนี้ท่านก็ติดต่อเทวดาได้เทัยมาฟังฤทัยฟัมท่านอ่านจิตใจได้อย่างที่ท่านอยู่บนเยืนท่ามแล้วมีร่างกายอยู่อยู่ที่ตีนเขา เวลาท่านนั่งพอนะส่จิตไปหาดวงตานั้นก็เห็นแต่คิดถึงนี้็แต่บ้านเห็นแต่ลูกคิดถหงแต่ลูกคิดแต่ธรรยาพอตอนเช้าลงตาลีม่านท่านชัหนยนี่เขหลวงพ่อเนี่ย่ก็อ่านท่านก็ยาเหนื่ไปเลยอันนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่เราเนี้ยไม่เหมือนกัน อย่งของหลงตาานี่ทราว่า ม, ม, มีมีการมีการพูดกล่าวกันอย่างไรบ้าง <c oughs> ที่ชัดๆก็คือเรื่องการแสดงธรรมเทศนาเรการว่าเทนาว่าการขอ ง, ขอ ง, ของแต่เรื่องอ่านใจของนี้ก็มีคนกล่าวเป็นกันว่าบางีเขาคิดอะไรยังไม่ได้ทนานโดยสารั้น่ารกรา ท่านก็นจะตอบมามีคําถาม ม, มีในใจบางทีไม่ทันต้องถามท่านก็นจะตอบให้เราฟังนั่นี้จะเป็นความบังเอิญหรือไม่ก็ไม่ดีแต่เรื่องเหลนี้เราไม่เถียงว่าเป็นเป็นประเด็นสาําคัญและไม่อยากจะให้หลวงติดมันเพราะจะเสียเวลาให้หันมาเวลามีทุกอย่าไปคิดถึงอาจาย ม อ, มองว่าทุกเราเกิดจากอะไรทุกมันเกิดจากทุกทางความอยากมันต้องอยากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ผลความอยากมันก็ทุกข์ขึ้นมาก็ตัดความอยากนั้นความทุกข์มันก็มันก็จัดอันนี้จะเกิดประโยชน์มากกว่า คนนี้รับถือมาด้วยไม่เห็นเลยรับถือกเรปากใบไม่จำสันนึงวันนึงเรยว่าจะนี่ก็รูปแบบอาจจะมาปากทีต่างตั้นมาทำให้ต่างหน้ากตางแบบน้ก่อนเลยน้ำาลืออไกตา ทาทราบต้นได้งานเ่ไหท่านพรภาษาออกลงนยังจะเป็นสองปีสอีเดรมายบปานนัยุดรรมาเราสปดที่ยืคงหายท่านไหนทราไว้จะดีเวลาถ้าท่านเป็นภาพบางอย่างกับรเราไได้กับท่านได้แา่คนที่เป็นี่เป็นาปุกท่านจ่อนท่านจะใช ก่อนก่อนปัจจัยวันใช้สองปีปัจจัวันอปีโอยนีต้องออกก็้งจำสี่ปีไปขึ้นเป็นสองปีท่านเป็นสายหลวู่ช่ไหมท่าจะได้ห่จะอยากจะทราบว่ามันเป็นความศึกษาทำยังไงถ้าถ้าปอยให้พระผู้ใหญ่จับเราก็ไม่ดีแล้ที่ แส่วนใหญ่แล้วมันจะกับการพาน้องกันเราเพราะาหน้าตาเราอ่อนนะแต่ไหนก็เชื่อแล้วก็ไม่กล้าทางนักศึกษแล้วก็กลาวก็กล่าวแล้วมันหลังมาคุ ย, ยันก็รู้ว่าเราทั้าอ่อนกันก แ, แต่ก็ไม่เป็นไราการกลับการก็เป็ น, ปนสที่ดีเป็นการอ่อนน้อมทำอ่อนน้อมทตน ตื่นใจจะถามกันก่อนใชนไหมเพื่อนๆเพื่อคงจะตนถ้าถ้าถามกันได้ก็ถามกันเพราะไม่ถามก็ไม่รู้ใช่ไมบางแห่งจะตกกันบางแห่งจะเห็นการต่างฝ่ายต่างกลบไปก็มีเหมือนมยมมือไหวต่อกันแล้วกันถ้าไม่รู้ภาษาก็ต่างองค์ต่างจินใจกันก็ต่างองค์ต่างกลับไปเลย ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเวลารำรูกถึงว่าพระเจ้าอยู่ในตากจากต้นไม้แทนก็ได้จากไปคิดไหนก็ได้คิดถึงครูบาอาจารย์จากไปคิดคือเราคิดวาท่านอยู่ก็ได้จากท่านเารครับผมกอนทีเรียนถามนะครับแต่ก็ผมไม่มีนะว่าพระคณนี้แต่เรา้เลยคือท่เล่นความเพีย่งมากเกินไปแล้วก็ถนัดที่ท่าน จะลงมอย่างน้อถ้าท่านได้ตัดไปเรื่องทนอยายไปเองแต่ของก็ได้มีในี้ว่าจิตเนี่ยทั้งใจจิตาจว่าจะไม่ยกขึ้นจากการเวลาเกิดอะไรแบนี้ที่มันมีความเทียมเือนกิตใจนั่นแคือรวลาบนนี่มันต่างกันแต่ความเทียมในในจิตใจนั่นเหมือนกันก็ดง่าคือว่าเรานรนนั่งสมาธิแล้วเราต่อสู้กับกิเลสปัญหาก็ได้ เมื่อเราอยู่ในเ e อเวอร์บท์ยืนหรือนั่งหรือเดินหรืยจะนอนนีก็ ก, ก็ก็ตักสิเลตได้เหมือนกันทีนี้ในภาวะของแต่ละคนภาวะจิตของแต่ละคนนี่มันไม่เหมือนกันภาวะของพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องนั่งนั่งอยู่ในที่นั้นเป็นเดาเป็นเดาตักได้แต่ในกรณีของพระเอนนี้ท่าน <c oughs> ท่านอยู่ในลักษณะว่าท่านไป ย, ยึดไ ป, ปติดกับคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า จิตเลยไม่ต่อวางมากังวลมาคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะบรรุพิชิเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องบรุมันนี้แน่นอนความเพียรก็เริเ่มเต็มที่แล้ว ท, ทุกอย่างทุกอย่างหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่บรรลกุก็เลยเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาและยิ่งเวลาใากาล้เข้ามาเท่าไหร่มันก็ยิง่งวิตกกังวลอย่างจิตก็เลยสร้างกิเลสขึ้นมาแทนที่จะสร้างธรรมะขึ้นมา คือการที่จะหลุดความมันจะต้องปล่อยวางทุกอย่างแม้แต่ทำพยากรณ์แม่พอผ้ามโนเห็นว่าใกล้สว่างแล้วที่ว่าหมดที่ว่ามีทั้งนี้คัง้งแรกที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ผิดพลาดก็เลยจะไปพักเนยขณะที่กําลังจะระหว่างนั่งกับนอนมันติดก็ไม่ได้คิดอะไรติดก็ปล่อยวางทำพยากรณ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง เราิดว่างความนัก็หุดอันนี้มันต้องปฏิบัติผมจะดูเวลาัมันหลุเ <c oughs> พราะเราอ น, นี้มันหลุดแบบง่ายๆแบบที่เราไม่คิดมาก่อนอย่างนี้องค์หนึ่น ง, ทนงที่ท่า น, นมันรู้สึกท่านเลยนะที่ท่านทรงผมพอมีตนมงศีษะข้างแรกก็ บ, กบกรรลุบบเป็นสดาพอลงท่นี่ษก็เป็นข้อเศารปัญญาันขยับไปเรื่อยๆมันหมุนของมันไปเรื่อยๆเหมือนกับไฟ ไฟที่มีเชื่อพอไฟมันติดแล้วมันก็ไฟปรมันได้ฉะ mm. นั้นกนารบรรลุนั้นะมันไม่ได้อยู่ที่อิรลี่ยมมันอยู่ที่สภาพจิตที่มันพร้อมจะบรรลุในขณะนั้นมีอยู่รูปหนึ่ท่านมีปัญหาเราเราไปจาบเพระพระจเจ้กาก็เดิน ม, มาถึงกุศิฝนตกยังยังไม่ได้ขึ้นไปก็ยืนรออยู่ที่ชายคาถ้าเห็นน้ําฝนที่ไหลลงมาจากชายคาแล้วลงมาสู่น้ําที่อ ย, อยู่ที่อยู่ในดินก็เห็ น, นเป็นรูป เป็นฟองน้นเกิดแล้วกระดับไปเกิดแล้วกระดับไปก็พิจารณาฟองน้ำแล้วก็บรรลุไปเลยก็เลยไม่ต้องขึ้นไปถามท่านพิจารณาไม่ต้องไปถามเพื่อนพิจาราเพราะสิ่งที่ตนเองอยากจะรู้เห็นรู้อยู่กับใจได้งั้นการบรลุกทางนี้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเห็นในท่านหน้านั่งขัดสมาลังสมาบัติอยู่ในเรือ บ, บในใดก็ได้เพราะจิตมันจถ้ามันพร้อมอยู่ในภาวะที่มันจะพร้อมมันบรรลุได้ มีภาพรูปหนึ่งท่านติดในทางทางด้านความสวยงามด้วยจคตของวิจา้าก็ให้ไปดูชากจศของโสเภณีที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นโสเภณีที่มีความสวยงามมากพอดีเขาตายก็ให้ไปดูชาติศไปวิจารณ์เอาวิจารณาปักก็ยังนก็หลุดพ้นไพว่าจุดของแต่ละดวงนี้อาจจะไปไปจุดอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งไม่เหมือนกันอย่างถ้าพนั้นนี้ไปจุดอยู่ที่ทำพยากรก่อนท่านวิจิาร <c oughs> ว่าเป็นบรรลุแต่ไม่ไม่ไะ้หายความว่าถ้าไม่ได้บงเพ็ญอย่างอื่นอย่างอื่นนั่นก็บังเพ็ญมรนลุอย่างแต่บา ง, ง, างามันติดไอ้ปมสุดท้ายปมที่ทำํำทรยศก่อนแล้วกับความอยากที่จะบรรลุความอยากจะบรรลุก็เป็นก็เป็นสมุทัยความอยากเป็นธาลังในตอนนั้นก็เป็นอุปสรรคเมื่อต่อนนั้นเป็นตัวผลักดันให้เรามาแต่พอมาถึงจุดนัน้นแล้วแล้วจากความอยาก ทันทีทานก็ต้องตับไปเพราะมันเป็นสมมุติมันจะรู้อยู่กับใจนะคนที่ปฏิบัติมันจะรู้ว่าอะไรมันคาใจเหมือนอะไรที่มันมีก้างติดคอเราคนเลยไม่รู้ว่มีก้างติดคอเราแี่เรารู้แต่เราต้องเป็นคนที่เอามันออกเองพอ <c oughs> จะเข้าใจมั้ยเข้าใจนะั้ย พอปฏิบัติไปเถอะแล้วมันจะเห็นเองมันไม่มีอะไรมาปกปิดไม่มีอะไรมาติดตั้งการปฏิบัติยากแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วตอให้ฟังไปจนมันตายมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่รู้คือฟังแล้วเข้าใจได้ดับความสงสัยได้แต่มันไม่มาแก้ปัญหาของเราได้ปัญหาของเรายังไม่ได้รับการแก้ไข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 า เ, เนื้อเนื้อของมันอยู่อย่างนี้เนื้อหาสาระการเปี่งน้ปลงของชีวิตเราอยู่อยนี้อยูท่ที่การศึกษาที่การปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความเจ็บมีใครอยากจะเจ็บไข้ได้บ ป, ป่วยป่วยเวลาไม่สบายก้วิ่งหาหมอกันทุกคนเลยไม่มีใครอยากจะไม่จะบายไปตลอดเวลา อ, อยากจะหายกันให้นั้นเพราะเราเทำไมไม่อยากจะทุกข์กันบ้างเราทุกข์กันมาตลอดเวลา แต่เพราะอำนาจของกิเลงมันแรงมากมันทําให้เราโลนเรารักรักความทผิดคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นทุกข์เป็นสุขเรากอดความทุกข์อยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวรักความทุกข์กฎธรามต่างๆนี้แเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์เสียดายอันนั่นก็เสียดายอันนี้ก็เสียดายอันนั่นก็อย่างได้อันนี่ก็อย่างได้เรารู้ในความทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เรามองไม่เห็นเลย <c oughs> เราตัดบางที่ไม่หมดเลยอยู่แบบไม่มีนี่ยเอ า, าท่านจะทำเป็นดู <c oughs> แลเราจะมีความพึงอยู่ตัวเรา <c oughs> ก็ผู้อื่นทําได้ผู้อาชาติที่เรากราบไหว้ท่านก็ทําได้แล้วว่าทํำไม่จะทําไม่ได้ก็เราซื่อสิเลเราไม่ได้พอ <c oughs> ฟังเราชอบแต่พอถึงเวล า, าเราปฏิ บ, บัติเราไมปฏิ บ, บัติ เหมือนเราไปดูมวยเราเคียนักมวยทบซ้ายทบขวาได้แต่ให้เราขึ้นไปไเตทีชงี้งไม่เอาเพราะเรากลัวลำบากถามนิง่งถามนี่หน่อยจะลำบากเราค่อยๆตัดนะเราค่อยๆลดทำไมเราไม่จำเป็นก็ค่อยๆัไม่งั้นมันก็ไม่กล้าหน้ากัน ถึงที่ตัดได้ก็ตัดถึงที่ทําได้ก็ทาต้องทำทั้งสองอย่างต้องลดต้องละแล้วก็ต้องเสริมสร้างสิ่งที่มไม่มีการถึงภาวนาเรามีน้อยก็ต้องเสริมสร้างให้มันมีมากขึ้นผมมาตข้าวทองเงินทองสิ่งที่ไม่จำเป็นต่างเรามีมากก็พยาวนาต่างเงินทุนต่างโดยจะสบาไใจ เราจะพัฒนาข้ามนา่อยขของได้ยังคุณนว่าจะปีใหม่แล้วจะเป็นสาอกนก็มมันต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติด้วย ถ้าฟังอย่างเดียวแล้วไม่ได้ปฏิบัติมันก็ไม่เคยคืบหนาาโอกาสขอขอกนท่านอาจารย์ท่า่ปีใหม่นะครับา์ <c oughs> <c oughs> เพรียนติสาขาลเอวเมวะอุตโตนะปิตังนังอุปิิิตังิตังหัิเมวะสะเ่เเรตสาปนตัญญาระโสยถาเมวโชติระโสยถาสัพพิปโยวิวัตันตสัรโวิตะ มาเตทวทวร o ณตระโยตุชีพคายโตวัอภวทนสิิจาาจาโนจธมาวทนตปยุวัโสุขังะยา สมัยนี้พวกเราก็โชคดีแหละมียารักษามีหมอรักษาให้ให้ยื้อไปยื้ไปได้ไม่ได้ยืดมาแล้วเราจะมาปฏิบัติธรรมมาทำเลยาตัเที่ยวเที่ยวพอแล้วเที่ยวสี่ทรั้งมันก็เหมือนกันคือปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้หน้าเทากันจะยื่งดีขึ้นมากขึ้นไป จิตใจเราจะมีความสุขมากมีความมีความตื่นเตนอะไรอยางเี้ยแต่ว่าความที่เข้าไปเรื่องสุกจิตสงบจริงนะคะความเขาห้องแบบแบบพระภาวนาไปเกิดทำไมเราไปเยอขึ้นเยอะรู้ดังว่าภาวนาเรื่องสุขจิตใจก็ไม่ได้กลัวไม่ได้หรอกแต่หมอบอกเราไปเชื่อขึ้นไม่กลัวเหร ไม่<แ>หรอกอาจจะมีสาเหตุอื่นก็ได้ถ้าเราไม่กลัวมันก็คงจะเป็นใจมันไปทางการมันมีอะไรหลายอย่างที่มันทางานที่มันอาเจะไม่ไม่ทราบถึงการทางานมันมันจะขึ้นแล้วมันขึ้นแต่ขอให้จิตใจเราดูไว้ก็แนมันจะขึ้นจะลงมันก็เป็นการเรื่งมันตขอให้จิตใจเราดีให้เราสงบได้ใได้เราสวยได้พานันหละเป็นเป้หมายกันเล พี่นะพี่โตีต่ก็ดูบาอจารย์เป็นไรบ้างามาาไม่ <c oughs> ต้องไปนอนอะไรวยอ่อนก็ให้แล้วแต่ความจริงวันที่14เราก็ไม่ได้อ่อกม้ำไม่ๆนะเพราะเป็นเด็จท้อง ล, กกล่าท้องเจ็บนะ ถ้าถ้าเขาไม่มาตามไปก็ไม่ลวมแต่แต่ถ้าเขามีเหตุมีอะไรต้องตามให้รวไปก็รวไปปกติจะไม่ได้ต่อถ้าเนี่ยคนท่านมานอกจากมีบรรทางมาหลอกให้ไปมีเรื่องบางอย่างจะต้องทำแต่ถ้าโดยปกติาะไม่ได้ต้าไม่ได้รับส่งจะด็คือมีพระเขาทำหน้าที่เราอยู่ได้ก็ไม่รวมไป ญา่ิของเสะเดชพระคุณเจ้าอะไรเงี้ยแค่วันนั้นคดีอะวันนี้หลวงพามา999ลูกก็พระมาแต่ละองค์ก็คงจะต้องมีญาเิโยนทามาลดราคาจะจะนั่งกัน ก็จะมีท right, uh ี่คประมาณบ่ายกไม่ใกล้จะดีทุกคนรยกนาระผลังในมาทุกส่วนทุกประการนะวันนี้กาารท่านว่าเทคโนโลยมีความสอนนี้มีสามู กอไปทัางไปไปต่างจังหวัดกอมีการธรรมดาที่นี่ก็มีไม่มากมีประมาณสองที่ก็คนหนึ่งเขาว่าอาจจะไมไม่ได้สอนไม่้สอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำทำบญยานเที่ยวถึก็มันไม่ได้อยู่ในพระาตอย่างนี้ก็อย่างเราก็อยู่ในฐานะผู้อัยวัดกี่ แล้วคนที่เข้ามาเขาไม่เลยมาถามเราไม่ได้มาเท่อไรก็มาก็เป็นวัดเป็นเป็นมน็กอะไอยานี้มาแล้วเราก็เปิดเปิดให้ว่างๆใครสนใจอยากจะมาศึกษามาถามเรานทรับสอนให้ถ้าเขาไม่สนใจเันก็ไม่ได้สนใจเราแล้็ปล่อยให้อยู่ตามปัจจัยปัจจัยอะไรที่คนมาคนเ้าก็บ่งทีเขาก็อยากจะไปอยู่แบบคณะที่ทุรายจางมีหน่กคณะที่มี มีค่าๆมีกดมีระเบียบที่ตายตัวแต่ที่นี่ค่าๆจะเหมือนมหายรรังของามคือตา่างตัวใจใจอะไรอยากจะไปยังใจอยากจะปดิบา้บานใจอยากจะปดูบา้านใจอกจะไปดูบ้านก็ไม่ได้ไปบ้านใครก็งงเลย น, นี่เขา้าเข้าข้าง่ายออกข้างง่ายนี่เข้าเข้าข้างง่ายออกข้างง่ายถ้ามาด้วยการสมัครใจไม่มีออกเลย ก็ก็มีส่วนก็ต้องทำอะไรแต่ส่วนใหญ่ท่านก็จะรู้ว่าเราต้องทาอะไรเราจะยังไม่ทำและอ่านหนังสือของคุณวากาไม่มีปัญญาอะไรอะไรนีาดก็คือการปฏิบัติของตนเองที่ผ่านัาไม่ค่อยได้ก็คือทุกเรื่อทำงานนั่ ตายก็ไม่เป็นไรแล้วพอเจอพัทนาก็จอดถ้ามันผ่านไปนิดไปหน้าก็ปล่อยไ้เรื่อยๆแต่ตอนี้อายุมากแล้วมีปัญหาแต่เดิก็ฝึกทำได้บ้างกคนั่งถ้ามันนั่งไม่ได้ง่ยก็นั่งได้นั่งได้เยะก็เป็นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผนเท่าที่ควร แต่ก็ต้องยอมรับสภาพว่าเครื่องม้เครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติมันควมูกตเดินก็่มีมาตลตั้งได้มาแต่ช่ว ง, <c oughs> งน้่ก็หมาบอกาชราจะได้เน <c oughs> ได้ต้องทำใปการการสภาพเท่าไรร่างกายก็เหมือนรถเดิ น, น <c oughs> ถ้ามันรถใหม่ก็วิ่งได้เรงถ้ารถเก่ า, าก็ต้องค่อยๆไป ก็เด <otros> ็กไม่โวยนจ่นใจยีสิบเน่ยถ้าเราโวยยี่สิบล้วไม่ไหว